มันเป็นอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยไอ้ความอยากอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แทนที่เราจะเอาตัณหามานำเราก็เปลี่ยนตัวนำก็ให้ปัญญามานาทีนี้การที่จะให้ปัญญามานาได้หรือไม่ก็ต้องม า, มาวิจัยเพราะปัญญามันมาได้สองทางใช่ไหมหนึ่งที่ง่ายๆก็คือการจากการฟังข้อมูลศึกษาข้อมูลให้เกิดความเข้าใจจริงๆมันจะได้ปัญญา สเมื่อได้ข้อมูลนั้นแล้วก็มาไตร่ตรองมาใขว่ควอมาพิจารณาเจาะให้มันลึกกว่าที่ฟังมาคือมองให้มันกว้างกว่าให้มันลึกกว่าให้มันละเอียดกว่าก็คือจากฐานการฟังนี่แหละฟังแล้วมันได้ข้อมูลระดับหนึ่งก็จากฐานการฟังมาวิจัยมาแยกแยะนี่นะ น, นี่สองระดับเนี่ยส่วนเมื่อเราเมื่อปัญญามาแล้วจนสา ม, มารถที่พัฒนาปัญญาได้แล้วเนี่ยพอพอพัฒนาปัญญาพอปัญญามาทํากิจในด้านจิตใจแล้วปุ๊บเนี่ย ปัญญามันก็ทำลายความไม่รู้ออกไปเพราะปัญญาทำลายความไม่รู้ไปปุ๊บเนี่ยนะเขามันก็จะมีความตั้งมั่นเพราความตั้งมั่นแห่งจิตมาปุ๊บมันก็ทำลายความฟุ้งซ่านถ้าสติมาปุ๊บมันก็ทำลายความหลงลืมใช่ไหมถ้าความเพียรความกล้ามาปุ๊บมันก็ทำลายความเกลียดค้านหรือความท้อถ้าความเชื่อมั่นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำลายความไม่เชื่อมั่นอันนี้แปลว่ามันเข้าสู่ระดับสามแล้วก็เรียกว่าภาวนาใช่ไหมหลักการมันคืออย่างนี้ อันนี้เหมือนกันในกรณีแบบนี้เรามองดูว่าเออเธอเราก็ต้องมองว่าในขณะที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพ้นดีพ้นเสียมันก็มันต้องทำงานร่วมกันใช่ไหมมันตัดกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออเนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงเราจะตัดเลยก็ไม่ได้ขาดก็ไม่ได้เงี้ยเราต้องการทำงานร่วมกันวิธีการก็คือต้องหา ถ้าเรามองตรงที่ว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงสามารถแก้ไขปัญหาของฉดินได้ชดินนี่เป็นปัญหาด้านทิศถีเนี่ยทิศถีมีกําลังมากอ่ใ <c oughs> ช่ใช่ฉดินสามพี่น้องเนี่ยพระพุทธเจ้าไปหาเนี่ยต้องใช้พลังเยอะแยะมากเลยแก้ปัญหาแก้ปัญหาด้านไหนด้านทิศถีเพราะเขามีความเห็นว่าเขาเป็นพระอหรหันต์เขาเชื่อมั่นตัวเขาเขาเชื่อมั่นว่าเขาเมีดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ นี่เหมือนกันในกรณีแบบนี้คนที่เขาเชื่อมั่นในความเห็นในทิฏฐิในทัศนาในมุมมองทั้งหลายเหล่านี้บางทีเหมือนเขาจะพูดไว้เลยใช่ไหมว่าถ้าไปต่อหน้าคนเยอะๆอย่าพูดเรื่องเขาเขารักตัวเองไม่ได้อันนี้ก็รู้แล้วถ้าเขามีปัญหาทางด้านตัวเขากลัวตัวเขาจะด้อยมานะมันมีกําลังมันก็ต้องมองเห็นว่าตัวมานะเนี่ยมันเป็นปัญหาด้านจารยิยธรรมด้านจิตใจ แต่ถ้าหากทิฐิมันเป็นปัญหาด้านปัญญาใช่ไหมละ่ะทีนี้วิธีจะแก้ถ้าด้านทิฏฐิเราก็ให้ข้อมูลมนุษย์มันต้องสามารถสื่อข้อมูลกันได้ต้องบอกเขาอย่างนั้นหาคนที่สามารถจะสื่อกับเขาได้คุยกับเขาได้ก็คือให้ข้อมูลเขาถ้าเขามีปัญหามานะเขามีกำลังเขากลัวเขาด้อยเขากลัวเขาโดนกระทบเลยทั้งหลายก็แล้วตรงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ก็ปอบโยนทางด้นจิตใจเขา ให้กำลังใจเขาว่าคุณมีดีเยอะเรากยังต้องการคุณอยู่นรึง อันนี้อันนี้เป็นที่จริงถ้าปล่อยอย่างนั้นถือว่าเราปฏิบัติต่อเธอผิดใช่ไหมครับใช่เรามีส่วนทำให้เธอเป็นอย่างนั้นด้วยเนะ่ถ้าอย่างนั้นม่อันอันอันนี้อันนี้ไม่ได้ ไม่ไม่ไหว จริงๆก็คือเรามีส่วนทำให้เขาเป็นอย่างนี้ให้อาหารคืออย่างนี้ที่กินประเด็นอย่างนี้ไอ้ตัวมานะก็ดีตัวทิถิก็ดีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายกยกเขาเยอะๆเนี่ยมาน้ก็มีกำลังความเห็นอย่างเงี้ยโอเคใช้ได้ใช้ได้ก็ให้ทิถิก็มีกำลังพอพอมันมีกำลังแล้วนี่มันคุมไม่ได้มันคุมไม่ได้ รู้อยู่แล้ว ก็ให้เธอได้เรียนรู้ใช่อยากให้เธอได้เรียนรู้แล้วให้เธอรู้จักไปถามว่าอืทำไมเราถึงไม่ต่างใจที่จะกลับอยากให้คุยอยากให้คุยกันผมไม่ได้บอกว่าเขาถูกเราผิดผมบอกว่าท่านมองลกโลกอ่ะการที่กลับระหว่างพอร์สเนี่ยพวกผมผิดแน่นอนแต่ผมอยากให้เธอมาคุยว่าทําไมเราถึงไม่ทํางใจอยอประเด็นมันมีอย่างนี้นะฉันจะยกตัวอย่างว่าคนบางคนเนี่ย มันเคยมีกรณีนะมีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักบรรยายธรรมนี่แหละไม่ไม่ระบุชื่อนี่เขาบรรยายธรรมมาไม่ถูกพอไม่ถูกก็มีพระสองลูปเข้าไปก็เรียกเข้ามาแล้วก็บอกบอกโทษของการพูดผิดผลของการที่ผิดอะไรจะตามมาพูดพูดพูดนคนคนนี้ฟังฟังไปจนคน่อนข้างเหมือนกระอักคือหนักอย่าง เขาก็อักจนรู้สึกว่าเลือดเนี่ยออกออกมาทางจมูกทางอะไรก็าเลยเขาเขาเขาเขาค่อนข้างเขาเหมือนเขาอัดอั้นมากเขาโดนกระทุงกระทุงกระทุ้งกระทุงกระทุ้งแรงๆแล้วก็อัดอั้นแล้วนักเข้านักเข้าก็แยกทางคนคนเนี้ยเขาก็เอาพลังของเขาจากการที่เขาโดนโดนต่อว่าแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาจะจะพูดในสิ่งที่ผิดเนี่ยแล้วเขาจะทําให้ดูว่าไอ้สิ่งที่ผิดเนี่ยเขาจะดังยังไง แล้วทุกวันนี้เขากราบกายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนี่เป็นโยมนะเนี่ยนี่ไงเขาต้องการทำให้ดูว่านี่ไงฉันทำให้ดูแล้วมันเหมือน <laughs> มันก็มีผลก็คือก็แยกวงกันแต่ที่สุดยิ่งฉันก็สามารถหาหาคนยอมรับนับถือได้คือคือประเด็นมันการจะหาคนมา ยอมรับนับถือหรือการหาพวกสร้างพวกมันไม่ยากหรอกถ้ามีวิธีนะมันไม่มียากอะไรเลยในะเรื่องพวกเนี้ใช่ใช่แต่ประเด็นคือคําว่าสหธรร ม, มิกเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้การที่ประพฤติทำร่วมกันใช่ไหมล่ะไอ้ตรงนี้ต่งหากที่ว่าไม่ใช่เข้ามาแล้วกระทําสิ่งที่เป็นอะธรรมร่วมกันใช่ไหมมันเป็นการกระทําประพฤติทธทำร่วมกัน นี่ประเด็นมันก็เลยอยู่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะไปเปิดตัวให้คนอื่นเข้ามาอย่างเดียวใช่มมันต้องมันต้องออกจากข้างในใมันต้องออกจากข้างในใช่คือการปฏิบัติธรรมมันต้องออกมาจากข้างในเข้า<ช>สู่ข้างนอกใช่ไหมไม่ใช่ไปไปทฤษฎีแบบใช้ป่าล้อมเมืองใช่หหรือไม่ใช่ไปสร้างแบรนด์ต่างๆขึ้นมาแต่ข้างในเรานี่ยังร้อนลุ่ม ยังกังวนกวายยังไม่ได้เข้าถึงธรรมะยังไม่ได้รู้ธรรมะยังปฏิบัติธรรมะไม่ถูก<ช>ตนเองยังทําตัวเหมือนพัดลมอยู่เลย เ, น, น, ย น, เยลนี่ยตรงนี้ตรง น, นี้นี่คือนี่คือปัญหานี่คือคําว่าประพฤติธรรมเนี่ยนะตัวนี้ ใช่ใชคือสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมองไปถึงถงที่ว่าอย่างที่เคยบอกไว้ไงทั้างงานมันเพื่อเงินงานเพื่องานแต่ทั้งงานเพื่อธรรมะใช่ไหมตรงเนี้ยคือเราเราถ้ามันถ้าความสุขที่เกิดขึ้นจากการการะทํามันหมดแล้วมันมันมันไม่มีอะไรยึดโยงเลยเนะี้ยชีวิตเนี้ย เงิน เ, เงินหนึ่งมันก็เพียงปัจจัยส่วนหนึ่งที่โยอาศัยก็ปัจจัยส่วนหนึ่งหรือการที่มีชื่อเสียงมันก็แค่ผลพลอยไดใช่ไหมมันไม่ใช่จุดหมายหลักจุดหมายหลักจริงๆก็คือเราได้ประพฤติธทมแล้วเราให้ธรรมะที่เราประพฤติเนี่ยมันข ย, ขยายออกไปกระจายออกไปเมื่อเราได้ความสุขจากการได้ประพฤติธทำก็เลยต้องการให้คนอื่นได้ความสุขจากการที่เขาประพฤติทมนี้ด้วยหลักเกณฑ์คือตรงนี้จุดหมายคือตรงนี้ ส่วนชื่อเสียงพวกพ้องบริวารญาติมิตรเงินทองก็เป็นผลพลอยได้ถ้าอย่างเงี้ยมนุษย์เราก็จะเข้าถึงความสุขได้อย่างแท้จริงใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเอาแต่ตัวเราเองก็ยังเป็นผู้ที่ยังเล่าร้อนอยู่ใช่ไหมยังเป็นผู้ที่ยังถูกราคะโทรศัพทโมหะกุ้มรุมแผดเผาเล่าร้อนอยู่อย่างนี้มันก็มัน ก, นก็การประพฤติทำตรงนี้มันก็มันก็ผิดและมันผิดหลักการ นั้นตึงต่างๆนี้ก็มาจากการต้องคุยก็ต้องให้ให้จุดตรงเนี้หรือว่าหลักการตรงนี้ให้มันชัดใช่มว่าเออเนี่ยเราสาธรรมิ ก, กชนนะ <c oughs> คือชนที่มาประพฤติธรรมร่วมกันอ้การประพฤติธรรมร่วมกันเนี่ยมันจะมีหลักทั้งเอกีภาพใช่ไหมเอเกียภาพก็คือเกี่ยวในเรื่องคำมันจะมีคําว่า หลักของสังขาวัตถุอย่าไว้ละโดยเฉพาะอาการที่ให้การแบ่งปันการพูดจาการประพฤติประโยชน์ร่วมกันเนี่ยแต่มันข้อสุดท้ายสําคัญก็คือว่าการที่เราทําตนเองเสมอต้นเสมอปลายร่วมสุขร่วมทุกข์ใช่ไหมไม่เลือกที่รักไม่พักที่ชังเนี่ยทําตนเองที่ว่าสามารถกลมกลืนเข้ากันได้มีสุขก็ร่วมสุขมีทุกข์ก็ร่วมตาน ถ้าอย่างนี้กชัดใช่ไหมเออมีมีสุขกันร่วมสุขมีทุกข์กันร่วมต้านกันร่วมกันแก้ไขพอปัญหา ต, ต่างๆตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ร่วมกันมาคิดว่าเออเราจะหาวิธีการแก้ไขอย่างไรถ้ามันมีคนใดคนหนึ่งที่มันกระโดดออกหรือว่ามันโดดออกจากหลักการมันก็ต้องช่วยกันหาหนทางไม่ใช่ว่าไปผักก็ต้องหาหนทางว่าทําอย่างไร ที่เราจะให้ให้ให้ให้คนคนนี้เขากลับเข้าหาแล้วก็ที่จริงก็คือบอกว่าความสามารถของมนุษย์มันสร้างได้ใช่มมันสร้างกันได้มสามารถที่จะทำให้มีชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่ศักยภาพทั้งหลายอลไเนี้ยแต่การที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือการที่เราประพฤติทำร่วมกันได้จริงๆใช่ไ การ พ, พุธทธธรมร่วมกันได้จริงๆก็คือด้านจิตใจเนี่ยโดยเฉพาะก็คือว่ามันถ้าสามารถตั้งความรู้สึกอย่างชันตั้งความรู้สึกที่ดเรเมทาว่าพอเห็นปุ๊บฉันมีความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนเดีฉันตั้งเจตนาได้จริงๆเลยว่าเออจะมีความรู้สึกดีกับท่านพวนี้จะมีความรู้สึกหนึ่งให้ความปลอดภัยได้จริงๆจะไม่เบียดเบียนกระแสะชีวิตของท่านพวนี้ด้วยการกระทํา และด้ว ย, วยคําพูดแม้ด้วยใจเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่รักและปราถนาดีเอื้ออาทรนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเจอท่านผู้นี้ณนะที่ใดณนะอัถภาพใดก็จะไม่ทําความโกรธความขัดเคืองให้เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์สมมติตั้งได้อย่างนี้จริงๆใช่ไหมอันนี้เป็นการฝังความรู้สึกต่อกันได้จริงๆแม้เพื่อนร่วมสาธรรมิกหรือเพื่องร่วมงานทั้งหมดก็มีใจดีต่อกันแบบเนี้ เมตตาต่อกันกรุณาต่อกันพอยินดีต่อกันระวางใจเป็นกลางต่อกันเมื่อผู้ใดหรือคนคนใดทําผิดกฎเกณฑ์กติกาก็เอากฎเกณฑ์กติกามาว่ากันมันจะต้องมีใช่ไหมว่าเอ้คนคนนี้ทําผิดกฎเกณฑ์กติกานะอันนี้ไม่ใช่ฉันเป็นคนทําผิดนะไม่ใช่ฉันเป็นคนลงโทษ ไ, ไม่ใช่ฉันเป็นคนชี้โทษนะเออไม่ใช่ฉันเป็นคนลงโทษเธอนะแต่การกระทํา กฎเกณฑ์และกติกาที่วางกันไว้เป็นตัวลงโทษที่สุดจริงๆมันก็จ้องไปตรงนั้นแหละถ้ามันมันคุยกันไม่รู้เรื่องจะไม่มนุษย์เรามันก็จะต้องมีกติกาตัวเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นมองออกใช่ไหมเมื่อเมื่อกติกามีอยู่กฎเกณฑ์มีอยู่ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่อยากให้มันเดินไปถึงตรงนั้นนะมนุษย์เราเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันจะเดินไปตรงนั้นจริงๆมันก็ต้องเหมือนผู้พิพากษาผู้วิพากษาที่ท่านมีใจเป็นธรรมะเนี่ยท่านก็ต้องวางหลักว่า ฉันเป็นคนเอากติกามาอ่านมาชี้ให้เห็นเขียเห็นผลเท่านั้นเองฉันไม่ใช่เป็นคนลงโทษคุณแต่กติกาหรือกฎเกณฑ์กติกาข้อตกลงร่วมการต่างหากตรงนี้ต่างหากเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ฉะนั้นตรงนี้ถ้าถ้ายังมีโอกาสที่มันจะพอคุยกันได้ก็คุยใช่ไหมก็คุย เข้าใจทีเนี้ย้าตรงจุดเนี้ย เ, เธอกลับไปโพสที่ตัวงานว่าเธอมีงานนะอ๋อเข้าใจใช่แล้วเธอก็บอกว่าเธอเนเป็นที่พึ่งของมูลินิทีได้งานของเธอเป็นที่มาของเงินและชื่อเสียงให้กับมูลินิทีมันไปนขับเน้นผิดที่ไปก็อบอกกันแต่ทีแรกใช่ไหมงาน <c oughs> เอยเงิน <c oughs> เอยงานเอยธรรมะเอยต้องให้ธรรมะมาก่อนธรรมะต้องเป็นจุดหมายหลัก หเราต้องเข้าถึงเมตตากันได้จริงๆเข้าถึงกรุณากันได้จริงๆเข้าถึงความเชื่อมั่นเข้าถึงความเพียรเข้าถึงสติเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญากันได้จริงๆพฤติกรรมต้องเป็นไปกับศีลกันได้จริงๆจิตใจต้องเป็นไปกับกลุ่มความเพียรสติสมาธิทัศน์ความเห็นก็ต้องเป็นไปกับปัญญาได้จริงๆริอีตรงเนี้ยเออเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรมันก็เป็นผลโปอยได้ ถูกต้องอค่นั้นถูกต้องถูกต้อ ง, องเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าปัญญาเนี่ยปัญญาสูงสุดอย่างนี้นนนนว่ามันจะมีคลิปว่อเราใช้ปัญญาไปตามความจริงเนแล้วเราพยายามที่จะทำให้เข้าใจตัวเองความคิดจะมองว่าเราใช้คลิตเธออ๋อตรงนี้เราก็ต้องมองอย่างนี้ว่าวิธีการเนี่ยว่าต้องแยกระหว่างความเห็นนะกับความรู้นะต้องแยก เพราะท่นเป็นถ้ามันเป็นความเห็นก็คือความเห็นใช่ไหมแต่ถ้าความรู้มันเป็นความจริงอยู่แล้วทีนี้บางทีมันเป็นอย่างนี้ว่ามนุษย์เราเนี่ยวันระหว่างความรู้กับความเห็นเนี่ยบางทีมันปนกันมันแยกไม่ออกอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า เ, ออเราเราไปเอาความเห็นมาตั้งหกสิบเปอร์ซนตแล้วก็ความรู้แค่สี่สิเอร์เซ็นตมาปนกันแล้วเราก็แยกไม่ออกแล้วก็บอกว่านี่คือเป็นความรู้ ไม่ใช่ความเห็นเนี่ยไปๆมาๆมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นก็ต้องแยกแล้วถ้ามันเป็นความเห็นเนี่ยมันก็ต้องสามารถฟังกันได้ใช่ไหมเพราะความเห็นนี่แต่ถ้าเป็นความรู้เป็นความจริงอันนี้ก็คือความจริงอย่างยกตัวอย่าง <c oughs> อย่างยกตัวอย่างอย่างที่เคยบอกพูดบ่อยๆเนี่ยถ้าอย่างนี้ยี่สิบห้ายี่สิบสี่องศาอั น, นีเป็นความรู้แต่เราอาจอยากจะอยู่สัก 30 อ, องศานั่นเป็นความเห็นถึงเราจะอยากแทบตายมันความจริงมันก็คือยีพางเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันเราต้องมองก่อนว่าเหตุที่เธอเป็นของเธออย่างนี้มันมาจากอะไรเราก็ต้องอ่านให้ขาดเหตุผลว่าอ้อเธอมีทิฏฐินำกระบวนการของความคิดแล้วเธอไปยึดความเห็นไปยึดงานไปยึดชื่อเสียงไปยึดนเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าไอเนี้ยมัน จริงอยู่มูนิธีมันต้องอยู่ได้ตรงนั้นก็จริงอยู่แต่เราบอกว่าถ้า <c oughs> ถ้าทุกคนยึดแบบนี้<ม>ใช่ไมไม่ได้เอาไม่ได้เอาธรรมะเป็นเป็นหลักไม่ได้เอาธรรมะเป็นจุดหมายไม่ไม่ได้ธรรมะเป็นที่อ้างอิงแต่เอาความเห็นเอาความเห็นเอาเอาความเห็นเป็นตัวเป็นตัวยึดโยงขึ้นมามันเห็นต่างกันหมดมันอยู่ไม่ได้ไ ม, มัน<ต>มันแตกแน่นอน อ๋อคืออย่างนี้ก็ต้องต้องประเด็นคือต้องพูดเป็นประเด็นนะว่าประเด็นมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าหากว่ากรณีที่เป็นความเห็นว่ามูลนิธิมันจะอยู่ได้ด้วยเ <c oughs> นื้อเงิ น, นเงินเป็นจุดหมายหลักแล้วก็งานเป็นจุดหมายหลักการประพฤติธรรมเป็นจุดหมายรองอันนี้รับไม่ได้ พอไม่ใช่สาธรรมิกเราต้องพุทต้องยืนยันตรงนั้น mm hmm. ใช่ไหมอันนี้นิรับไม่ได้ น, นี้ไม่ใช่สาธรรมิกถ้าศาสตรธรรมิ ก, กนชนแปบลบว่าชนที่ต้องประพฤติธรรมเราธรรมะเป็นหลัก mm hmm. ใช่ไหมเมื่อธรรมะเป็นหลักคืออะไรเมื่อธรรมะเป็นหลักก็คือเอาเอาความถูกต้องดีงามใช่ไหมธรรมะมันก็คือความจริงความถูกต้องความดีงามยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาถ้าเอาตัว ความโลภมาเป็นตัวตัดสินเอาความโกรธมาเป็นตัวตัดสินเอาตัวทิฏฐิมาเป็นตัวตัดสินเราเอานี้อันนี้นี่ไม่เอาถ้าเอาธรรมะอย่างยกตัวยอย่างเช่นว่าสาธารมิกาชนนี่กลุ่มคณะประธานและกรรมการทั้งๆเนี่ยต้องประพฤติธรรมร่วมกันแล้วก็มีกติกาตกลงร่วมกันว่ามันประชุมกันเนืองนิดมแล้วมันประชุมกันเมื่อเลิก ประชมุม ก, ก็พร้อมเพียงกันเลยใช่เออมันมีก็มีหลักนี่เราก็ไปดูสิหลักธรรมะในในหลักของวัชีธรรมเนี่ยเราก็ไปเอามาดูครับนี้ประชุมอย่างเงี้ยเพื่อนามอทุกคนเนี่ยเวลาคุยเรความ้ใจกันเออวรู้สึกเ่เรตตื่องงานแต่ถ้าเป็นเธอเนี่ยเธอจะเข้าชานเธอจะตัดฉากเข้าอะไรเนี่ยเข้าานะเข้าา ไม่รับยากพูดแล้วเขาบอกว่ามานี้เป็นเรื่องดีนะแต่ว่าผมไม่เ้ใจไมรียกเขาเรยกชานเ้าไม่เรียกานหรอกเรียกสูงไปเธอเป็นคนที่ไม่อยากจะฟังความเห็นคนอื่นกาต้องบอกตรงๆไม่ได้สิค ต้องบอกว่าจริงๆตรงนี้ก็ถ้าถ้าแบบเนี้คุยตรงๆได้เลยไม่ยากเลยถ้าคนถ้าเขาถ้าเขาหนึ่งลาออกแล้วแล้วด้วยสองเขาบอกไม่อยากทําโอ้ทั้งนี้ได้โอกาสเลยเราก็บอกว่าเราต้องบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะทําคุณก็ต้องชอบ คุณก็ต้องรักคุณก็ต้องรักเพราะเน่ยคุณก็ต้องรักถ้ามาบอกว่าเออมันเหมือนเหมือนสามีภรรยาฉันบอกเคอไม่มีดีเลยทุกอย่างแต่ฉันไม่อยากแกออกจากที่ตรงนี้ไม่อยากแก่ งันตรงนี้ก็บอกคารวาสจะคุยกันง่ายตรงนี้แหละเพราะคารวาสเนี่ยสามารถคุยกันตรงตรงได้แล้วก็บอกตรงๆว่าหนึ่งเวลาเรามาคุยปัญหากันใช่ไม <S <S ในที่ประชุมเนี่ยใครเป็นใหญ่เป็นประธานในที่ประชุมก็ตั้งไว้ในฐานะที่เคารพนับถือก็ว่ากันไปใช่ไหล่ะทีนี้เวลาคุยกันก็ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมนุษย์เราเนี่ยต้องใช้ปากใช่มแต่ต้องระวังว่าไอการใช้ปากเ็เป็นหอกไปทิ่มคนอื่นเนี่ยต้องระวังใช่ไหมละ่ะเราจะไม่ใช้ปากเป็นหอกเพราะว่าเอาหอกไปทิ่มกันมันเจ็บแต่กายนะใช่ไหละ่ะแต่ใช้ใช้ปากเป็นหอกไปทไปทิ่มกันโอ้โหมันมันแค่ น, นี้ก็เราหนึ่งก็คือพูดจริง สองก็คือพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์สามก็พูดถูกการสี่ก็พูดกันด้วยเมตตาหลักการก็อยู่ตรงเนี้แล้วก็พูดกันก็พูดด้วยเมตตาถ้าโกรธแล้วก็อย่าให้ความโกรธเป็นตัวผลักดันในการคุยกันมันคุยต้องคุยกันไดังนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่พอใจก็ฉันไม่รับผิดชอบทั้งหมดดึงตัวเอเองออกบดแต่ก็ยังอยากจะทํางานนี่มันจะทํางานในฐานะอะไรอะ ใช่ก um ็บอกว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ร่วมกันก็คือไม่ร่วมก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างนั้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าโกรธกันถ้าเห็นว่ามันไม่ดีแล้วทุกแง่ทุกมุมเลยเท่าที่เธอมองอะไรเนี้ยก็ต้องบอกเธอตรงๆว่ามันก็ก็ไม่เป็นไรีก็ไม่ ก็เป็นเรื่องของกเ็ป็นเรื่องปกติว่ามันต้องมีการถ้าถ้ามีมีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยมันทําให้พวกเราได้ตื่นตัวแล้วก็จะได้หาหุณทางแก้ไขนะมันจะมันจะได้รู้ไงว่าเออถ้าทําแบบนี้แล้วมันจะแตกมันจะรู้เลยแตกง่ายใช่ไหแล้วถ้าทําแบบนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้โหนี่ แต่ถ้าคุยที่จริงมันต้องคุยกันได้เรื่องแบบเนี้ยคุยแล้วก็ต้องบอกต้องบอกว่าออมืแต่เข้ามันก็จะค่อยๆห่างกันออกไปแล้วแต่เขาก็ต้องระวังว่าออกไปอย่าไปโจมตีกัน<า>ถ้าจะเดินจากกันก็ ก็ก็คนบางคนก็มีอัถอรพ์สายแบบนั้นก็ต้องอืก็ต้องบอกเขาว่าจริงๆเนี่ยการที่เขาเอางานเป็นจุดหมายเขาก็ดีมาระดับหนึ่งนะเขาพัฒนามาจากระดับที่สองระดับที่หนึ่งแล้วระดับที่หนึ่งเขาชื่อเสียงเงินทองใช่ไหมเป็นจุดหมายนี่นี่เขาเอางานเป็นจุดหมายแปบลบว่าเขาพัฒนาเงินและชื่อเสียงมันเป็นจุดหมายหลอกของเขาแล้วก็เพียงแต่ว่า คุณทําดีแล้วก็พัฒนาจากมีจุดหมายที่งานก็มืมีจุดหมายที่ธรรมมาสิใช่ไหมพอเข้าถึงธรรมมาปุ๊บจุดหมายคืองานจุดหมายคือเงินก็คือกลายเป็นจุดหมายรองไปหลักการมันก็ต้องก็ตัวเนี้ยเหมือนหลวงตาเลยเมื่อสกี้ที่พูดว่าทําเพื่อทำเนี่ยไอ้ทออัมทำเพื่อเข้าถึงธรรมมาเนี่ยทอทหารสระอําก็คือทำแต่จุดหมายที่ทําคือทอทงใช่ไหม ไอ้ทําทอทองก็มีอะไรบ้างมีทั้งศีลสมาธิปัญญานั่นก็ว่ากันไปจุดหมายก็ว่าตรงนี้ต้องเข้าถึงจริงๆทีนี้คนโดยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเวลาเราทํางานพวกเนี้ยเราจะเห็นว่าคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีไม่มีที่พึ่งแม้แต่พวกเราเองเวลาเจอปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่มีพระรตนาไตรเป็นสาระก็ว้าเวีเฟ้งว่างเหมือนกัน แต่ถ้าเรามีพรตาตนะไตรเป็นหลักดำเนินชีวิตปุ๊บเวลาเจอปัญหาโอม้มันชัดเลยเหมือนนี้เหมือนกันเหมือนกรณีคำว่าเวลาเราจะทำงานพวกนี้เราต้องเข้าใจอริยศัสตร์ให้ชัด 1. ทุก 2. เหตุให้เกิดทุก 3. ความดับทุกสข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกใช่ไหมสอย่างเนี่ยต้องชัดคือในชีวิตจริงๆเราเราก็จะนีนไอตัวตั ว, ตวทุกทุกนี่มันคือตัวปัญหา โดยมากเราจะไปสับสนกับการทํากิจหรือปฏิบัติกิจในอริยสัจเนี่ยผิดทุกมันคือตัวปัญหาเนี่ยกิจของเขาคือกําหนดรู้รอบรู้ต้องจับตัวมันให้ได้ต้องรู้ขอบเขตมันให้ชัดว่ามันคือทุกเนี่ยมันคือตัวปัญหาทีนี้มนุษย์โดยส่วนใหญ่ก็จะเลอะเรือนกับตัวตัวปัญหาตัวทุกประการที่สองก็คือเหตุให้เกิดทุกอันนี้ตัวสมุทยัเยเหตุมันมาจากอะไรถ้าเราพูดถึงตัวหลักแท้ๆของเขาก่อนเนี่ย กระแสชีวิตทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยกระแสชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วทีนี้มันทุกข์ยังไงในการถ้าเรามองตามหลักอริยศาสตร์ก็คือเกิดแก่เจ็บตายโศก ร, ร่ําไรลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้ยใจอันนี้มันเป็นตัวตัวที่เห็นชัดๆกันอยู่แล้วแต่ทีนี้ในในในขอบเขตของมันคืออะไรกระแสของทุกข์ที่มันมัน มันดําเนินไปก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนการคู่การเหยียดการก้มการเงยใช่ไหมการกินดื่มเคี้ยวริ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการมองการดําเนินตามกิจกรรมของชีวิตนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความทุกข์มันกําลังผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามตลอดกระแสของชีวิตที่มันเปลี่ยนไปทุกๆขณะไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยกิจกรรมของชีวิตที่มันกําลังดําเนินไปอยู่เนี่ยนี่เราก็จะเห็นว่าโอ้ จริงๆแล้วมันต้องมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวมันเองตลอดมันเบียดเบียนตัวมันเองตลอดมันบีบขั้นตัวมันเองตลอดแล้วมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเป็นไปตามเหตุปัจจัยตลอดอันนี้คือเขากําลังแสดงบทบาทของเขาให้เราเห็นก็กําหนดขอบเขตให้ชัดวันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมเหมือนกระแสชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นกิจการของการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามันไม่มันมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดทุกวินาทีด้วยนะกระแสชีวิตไม่ใช่ไหมทีนี้เอาแล้วอะไรเราเป็นเหตุ ให้กระแสะชีวิตมันดําเนินไปเนี่ยถ้าเป็นตัวสมุทไทยก็เรียกว่าตัวอวิชชาคือความไม่รู้ตัณหาคือความทยานอยากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหม <c oughs> แล้วก็การกระทํากรรมที่เรากําลังทํากรรมทางกายทางวาจาใจที่นําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้แปลว่าในชีวิตของเรามันมีแค่สองสัจจะเองหนึ่งทุกบกสมุทไทยไอ้นี่โลดเนี่ยก็คืออะไรอะ ก็คือจุดหมายเราต้องรู้ถึงก็คือสภาพที่ดับปัญหาแก้ปัญหาดับทุกข์ถ้ากิเลสดับโลภะดับโทสะดับโมหะดับเขาเรียกกิเลสนิพานถ้ากระแสชีวิตมันดับลงหรือมันหยุดตัวลงแล้วมันไม่สืบต่อก็ เ, เรียกว่าขันนิพานใช่ไหจุดหมายของสูงสุดจริงๆในพุทธศาสนาเราก็ต้องการเนี่ยต้องการนิพานสองส่วนกิเลสนิพานกับขันนิพานนี่ล จะเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่ก็นิพพานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือกิเลส น, นิพพานกิเลสไม่เกิดอีกเล ย, ออยตอ น, นีไเห็นปัญหาอยู่ว่าคนทั่วไปมันจะบอกว่าวิญญาณเป็นตัวพ่านตาเกิดแม้กระทั่งพระส่วนมากก็สอนว่าวิญญาณเป็นตัวาครับแตี น, นี้ที่อาจารย์จจด เ, เป็นความไม่รู้ที่คิดว่าวิญญาณเป็นเราใช่ไหมครับใช่คับนันก็น คือจริงๆจริงๆคือวิญญาณก็เป็นหนึ่งในขันห้าก็คือเป็นจิตใช่ไหมแล้วก็มีเวทนาอันนี้เป็นองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของจิตความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆตัวสัญญาคือความจําก็เป็นคุณสมบัติของจิตเขาเกิดร่วมกับจิตนี่ก็เป็นหนึ่งขันตัวสังขารคือการปรุงแต่งทั้งที่ความรู้สึกดีและไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นบุญเป็นบาปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ตัว รูปธรรมใช่มเนี่ยรูปธรรมก็คือดินน้ำไฟลมที่มาประชุมกันเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเกระดูกทั้งหมดเลยในสรีระทั้งหมดแต่ละส่วนเล็กๆนีจริงถ้าพูดง่ายๆก็เลยว่าอาป้าอรก็คือว่าายับความรู้สึกทั้งใจใช่ใช่นี่ยก็เรียกว่าที่นี้ที่นี้ความไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในขัน ความไม่รู้ความอยากความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นคุณสมบัติของจิตนั่นแหละแต่ตรงนี้แหละถ้าเราให้ความไม่รู้มันนิพพานได้ด้วยปัญญาเปรละได้เดดขาดให้ตัญหานิพพานได้ให้โทสะมันนิพพานได้คือให้กิเลสเหล่านี้ดับอย่างนี้คือกิเลสนิพพานพระเจ้าทําให้กิเลสเหล่านี้ดับที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพลใช่ไหมันเป็นขึ้นสิบห้าค่เดือน6เนี่ยเนี่ยทากิเลสเหล่านี้ ทำราคะให้นิพพานโทสะให้นิพพานโมหะให้นิพพานก็คือกิเลสเหล่านี้ดับก็กลายเป็นว่ากระแสะชีวิตของพระเจ้าโดยเฉพาะชีวิตจิตใจเนี่ยก็บริสุทธิ์ผุดผ่อง่องแผ้วนี่เขาเรียกได้นิพพานแล้วแต่ชีวิตยังมีอยู่ คือประเด็นต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้านิพพานเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนกิเลสนิพพานคําว่านิพพานแปลว่าดับนะในศัพท์นี้นีแปลว่าดับดับถ้ายัางใครสามารถทําให้ความโลภดับแล้วความโลภหมดเลยไม่เกิดอีกเลยนี่แปลว่าความโลภของคุณนิพพานใช่ไหมให้ความโกรธนิ ด, ดับสลายไปเลยไม่เกิดขึ้นอีกเลยนี่แปลว่าความโกรดนิพพานให้ความหลงความมืดบอดนี้ดับ และความโลภกดหลงก็ไม่เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตได้อีกเลยอันนี้เขาเราียกว่าโลภกดหลงนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีชีวิตอยู่แต่กิเลสท่านนิพพานมองเห็นอี่ยังเนี่ยเขาเรียกกิเลสนิพพานสับเนี่ยทีนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ชีวิตของท่านนั้นดําเนินไปด้วยความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นสัตว์ที่สะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วเมื่อกิเลสไม่มีท่านก็จะท่านไม่มีแล้วเพราะว่ากิเลสมันถูกละถูกทายถอนหมดแล้ว ทีนี้นนนใช่ท่านก็มีชีวิตอยู่ยังยืนเดินนั่งนอนทํากิจกรรมของชีวิตท่านท่านไอตัวทุกข์ใจท่านไม่มีเลยเพราะความทุกข์ใจมันโทสะนี่ความลังเลสงสยัยความความโลภโกรธหลงความฟุ้งซ่านลาคาญใจทั้งหลายหายเกลี้ยงหมดแล้วเพราะนิพพานหมดก็มีอยู่ก็ร่างกายทั้งร่างกายจิ ต, ก, ก, ต, ตก็มีแต่ทางดีๆีหมดเลยก็มีฝ่ายกุศลหมดเลย มีอยู่มียังมีอยู่ด้าน <S <S ใช่ด้านจิตใจของท่านเนี่ยหมดแล้วในด้านความโลภกดหลงไม่มีมแต่ถามว่าท่านยังสุขยังทุกข์ดังด้านกายไหมมีอยู่แต่ด้านจิตใจท่านโสมนัสท่านจะมีแต่โสมนัสก็อุเบกขาท่านจะไม่มีโทมนัสในเจตสิกท่านจะไม่มีโทมนัสเลยท่านจะมีแต่โสมนัสได้ในจานจิตใจแล้วท่านเจออกุศลกรรมให้ผล มีใครไปแทงไปทบไปตีท่านท่านก็วางใจเป็นอุเบกขาไปเลยเพราะอะไรเพราะโทมานัตในใจท่านถูกละได้แล้วเห็นไหมว่าบางทีเวลาท่านดำเนินไปท่านไปเหยียบตอเนี่ยทะลุหลังเท้ามาท่านก็บอกโอ้ยเท้าทะลุทุกไม่กายทุกท่านต้องรักษาท่านเอาผ้าไปมัดไปต่างๆแล้วท่านไม่มีช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีอะไรร้องโอย ท่านท่านก็มีกระสับกระสายทางด้านร่างกายจริงแต่ใจท่านไม่มีโทมนั้นอันนี้บ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าเราของเรานะี่ยนหมดแล้วไอ้กิเลส ท, ทั้งหลายนิพานไปหมดแล้วแต่คนที่หมดกิเลสแบบนี้ถ้าท่านจะอยู่อีกห้าสิปีหกสิปีก็ตามอายุไขที่ท่านจะอยู่แต่พอกระแสชีวิตท่านดับนะขันท่า น, นิพพานขันดับปุ๊บก็หยุดการสืบต่ออย่างนี้เขาเรียกขันนิพาน นางวิสาขากิเลสนิพพานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ mm hmm. อน า, าถพินิกาเรเศรษฐีกิเลสกันิพพานไหมเป็นพารียาบุคคลทั้งหลายในะกิเลสก็นิพพานนะแต่แต่เป็นทั้งเกต ด, ด้วยไหถ้าเป็นพระสสดาบันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะสมมติกิเลสสิบตัวเนี่ยนิพพานไปสามตัวเหลือเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจยัง mm hmm. นั้นกิเลสบางส่วนกิเลสบางส่วนของท่านที่นิพพานที่ละได้อย่างเด็ดขาดเนี่ย ท่านก็เลยไม่ทำทุจริตที่ลงอบายภูมิมแล้วอดาราวาสที่เป็นกิเลสานเี่ยเราอ์คนต่างๆที่ไม่ใช่อริยะศพนะอย่างตอนนี้เราอยู่ในางมาวาสเนี่ยบองเราไม่รู้เงี้ยถ้าเราไปละเมิดไปเียวเียนท่านเข้าเงี้ยตัวนี้ตาหนกเหมือนกับเราไปละเมิดพระก็เหมือนกันก็เห <c oughs> มือนกับละเมิดพระอริยะเพราะท่านเป็นพระอริยะ ใช่ใช่ ใ, ช ใ, ชใชคือคําว่าอย่างอย่างพระทั่วไปเนี่ยก็เรียกสมมุติสง่์สงโดยสมมุติใช่ไหมล่ะเมื่อเข้ามาสู่ความเป็นสมมุติสง่์เนี่ยเขามีกฎระเบียบกติกามันเอื้อต่อการที่จะฝึกตนเองได้อย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์คารวะเนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ตาย า, ยายยายเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนทั้งหลายเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเป็นชีวิตของคารวะ ถ้าฝึกตนเองในในการฟังทาในการพัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจและโดยเฉพาะปัญญาจนสามารถทำกิเลสให้นิพพานได้บางส่วนจากคารวสก็เรียกเป็นอริยะเหมือนกันกเขาเรียกเป็นอริยสงฆ์เห็นไหถึงแม้จะเป็นคารวสก็เรียกเป็นอริยสงฆ์อย่างยกตัวอย่างท่านอุคขาเศรษฐีเนี่ยเป็นคารวะเมากินเหล้า ใช่ไหมอยู่ในอยู่ในอุทยานตนเองอยู่ในอยู่ในในสวนบ้านตนเองเมาอยู่กับบริวารมีอยู่วันหนึ่งพระบรมศาสดาสเสด็จบินฑบาตเดินผ่านมาเพียงท่านเห็นปุ๊บเนี่ยด้วยกุศลสัญญาที่ท่านสั่งสมมาในอดีตดีมากพอเห็นปุ๊บแค่นี้ไอแอลกอฮอลในร่างกายเนี่ยพอเห็นพุทธ บารมีของพระเจ้าเห็นพระรูปของพระเจ้าเห็นอากัปกิริยาเห็นภิกษุสงฆ์ที่เสด็จเดินมาเป็นแถวเนี่เดินมาพระเจ้าเสด็จนำหน้าภิกษุสงฆ์ตามมาพอเห็นเพียงแค่นั้นเนะ่เกิดศรัทธาเกิดปลาโมดปีติปสัสสติจิตใจโลดแล่นเผาแอลกอฮอล์นในร่างกายกเกลี้ยงสร้างเมาเดินดีเลยแล้วท่านไม่เคยสงสัยเลยว่าท่านผู้นี้ จะไม่ใช่ใครท่านรู้ทันทีนี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าทั้งๆที่ไม่เคยเห็นเลยรู้เองรู้ทันทีเลยนี่เห็นปัญญาเนะย<ม>พอไปใกล้ๆไปซดโซบกับพระบาทพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพอแสดงเสร็จปุ๊บท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรยะทันทีเลยนั่นกันนะนี่คารวะนะ<ม>พอกลับมาท่านกับท่านมีภรรยาสี่คนท่านก็บอกภรรยาทั้งสี่คนว่าใครปรารถนาจะกลับบ้าน ใครปรารถนาจะอยู่ใครปรารถนาอยากจะมีใหม่เราจะแถมสมบัติให้ดูมีภรรยาคนหนึ่งบอกว่าอยากจะมีคู่ครองทุกไปเอามากเธอก็ท่านกะจัดการแต่งให้แล้วก็อย่างเงี้ยกล้าสละได้ขนาดนั้นเนี่ยเออนี้ที่ชี้เห็นจะเห็นว่าในสมัยข้างพุทธการเนี่ยคารวะเป็นภรรยากันเยอะแม้หลังพุทธการก็เป็นกันเยอะเพราะเขาปฏิบัติธรรม คือจริงๆเนี่ยเรื่องการเสียสติหรือไม่เสียก็ต้องรู้ใช่ไหมละ่ะถ้าถ้าเสียสติเนี่ยแปลว่าอะไรก็ต้องเห็นเพีย้ยนเห็นผิดคําว่าเสียสติเนี่ยแต่ถ้าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเขาไม่เรียกว่าเสียสติอย่างพวกเราทัางหาใช่ไหมอย่างพวกเราท่างหากไอ้ของไม่งามเราไปเห็นว่างามเอาเพีย้ยนไหมของมันไม่เที่ยงแต่เราไปเห็นว่าเที่ยงของที่มันเป็นทุกข์แต่เราเห็นว่าเป็นสุข ของที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่เราไปเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนเห็นอย่างนี้เขาเรียกวิปรลิตธใช่ไหมจากนั้นถึงบอกว่าเราจะเอาเอาความเห็นของใครเป็นมาตรวัดแล้วก็ต้องความเห็นของพระเจ้าเอาสัมมาทิฏฐิของพระเจ้าเป็นตัววัดไม่ใช่เอาความเห็นเราเป็นตัววัดใช่ไหมล่ะเพราะเรามีมาตรการในการวัดในการในการเปรียบเทียบเมื่อกี้พูดให้ฟังก็คือพูดเรื่องอริยสัจในขณะที่เราอยู่ใน เราอยู่อยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้เพราะจริงๆก็คือเนี่ยชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันก็คือเราก็จะเห็นเขาว่ากาลังเขากําลังทํากิจกรรมอะไรและในใจของเขาถ้าเขาขับเคลื่อนด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยโลภะอันนี้แปลว่าเขากําลังกระทําอะไรกระทาสมุทยาาัยสัจจะอยใช่ไถ้าสมุทยาาัยสัจจ์จุดหมายของเขาก็กคือทุกขสัตย์ เพราะอริยสัจมันมีสี่นี่หนึ่งทุกควรกำหนดรู้สองสมุทยัยควรละไม่ใช่เจริญนควรละโลภะตัสามโมหะเนี่ ย, ลลยกลุ่มสมุทยัยควรละควรประหารสามนิโรธคือจุดหมายควรประจักแจ้งควรรู้ถึงสี่มรรคควรเจริญคือสมาธิถีเป็นต้นเอาแหละแต่เนี้ยเวลาเราจะเจอปัญหาเจอทุกปุ๊บ เราจะใช้ข้อไหนในการดําเนินชีวิตเราจะใช้ข้อไหนในขณะการดําเนินชีวิตเราจะใช้ข้อไหนเป็นหลักปฏิบัติใช้ข้อ ส, อสไม่ใช่ไปใช้ข้อสองเช่นเวลาเรามองถึงเมื่อกี้ที่พูดถึงโยมพอเราคิดถึงเขาถ้าเราคิดแล้วเราโกรธเขานี่แปลว่าเราใช้ข้อสองอสเป็นสมุทยัยยะสจา่าเป็นเหตุของทุกข์อีก แล้วเรายินดีกับเขาเอา้าไปใช้ข้อสองอีกหรือเราไปหลงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะปฏิบัติกับเขาอย่างไรอันนี้เป็นข้อสองอีกเป็นสมุทายาศัพท์อันนี้เป็นควรละนี่เขาให้มาปฏิบัติข้อสี่เพื่อจุดหมายก็คือนิโรธใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าที่เธอเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเอาอะไรแต่เนี้ยเออมาจากอะไรทําไมจึงเป็นแบบนี้เราไปให้อาหารกงกิเลสเธอไหม เรามีส่วนหรือไม่มีส่วนเราจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรที่จะรักษาให้เธอเข้าอยู่ในทํานองของธรรมเอาแล้วแต่เนี้ยพอมาตั้งประเด็นตรงนี้มันจะชัดเลยแต่เนี้ยใช่ไหมพอมองเห็นไหม ย, ยากไหม okay. Okay. ทีนี้ถ้าเราเห็นปัญหาตรงนี้ขึ้นมาก็นั่งคุยกันว่าอ๋อที่เธอเป็นอย่างนี้บางทีเราก็ปล่อยจากการที่เราปล่อยปลาร้าลเลย ใพอไปปล่อยปาละเลยบางทีก็ไปอวยมากไปแะคร้บวะต่ ก, ก็ไปเห็นว่าโอ้เธอสำคัญพอเป็นอา้าวทีนี้เราจะแก้ไขยังไงก็หันหน้าลงคุยกันมันสามารถจะแก้ได้ <c oughs> แต่บางทีมันอาจจะเลิดก็ได้ต้องระวังบางทีมันคง บางบางทีมันจะอาจจะมีตรงนี้ต้องคุยกันให้ดีบางครั้งบางครั้งบางครั้งมันอาจจะเพอเพในศาสธมิกจะรวนเองนะต้องระวังจะไปแล้วจริงไหมจริงไม่จัดการไม่แก้ไขกันเลยคนก็จะทุกกันเลยต้องระวังเลยนะ ไปตาใหญ่ดีเลยเราก็หวังว่าอันนี้สองข้อนี้ที่เธอทาให้เราเป็นแบบนี้น่าจะทำไม่เธอตื่นทำให้เธอโอเคขึ้นเลยทวันบางครั้งก็ต้องประเมินให้ถูกเลยบางครั้งแต่พอบางครั้งบางทีด้วยกําลังของความเห็นทิฏฐิอายุอะไรเงี้ยเนี่ยมันหลายๆอย่างองค์ประกอบมนุษย์จะแก้ไขตัวเองไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ ใช่ใช่ต้องรู้ขอบเขตคือคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราเห็นปัญหาชัดไหมแล้วเราเห็นเหตุของปัญหาชัดไหมสองจุดหมายที่เราวางไว้นั้นควรเป็นอย่างไรและวิธีการใช่ที่สุดจริงมันจะอยู่ที่วิธีการเหมือนเราเห็นว่ า, าไฟมันไหม้นนีเป็นปัญหาเหตุของไฟไหม้มันคือปืนเชื้อฟืนน้ามัน อะไรต่างๆก็แล้วแต่หญ้าแห้งนี่มเป็นเหตุของปัญหาจุดหมายคือต้องดับไฟใช่ไหมวิธีการอาจจะใช้แก๊สใช้รถ ด, ดับเพลิงหรือจะใช้ขนาดไหนน้าอันต้องดูดูขอบเขตของปัญหาวันใหญ่โตขนาดไหนอันนี้หลักการนี้ก็เป็นหลักเดียวกันกับอริยสัจนั้นชีวิตของพวกเราถต่มันก็ดีนะถ้าเราเห็นปัญหาตรงนี้ขึ้นมาก็ร่วมแงรงรวมใจกัน แต่ที่สาคัญที่สุดก็คือว่าต้องต้องพัฒนาไอ้ตัวปัญญานี่แหละเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอปัญญาต้องถึงใช่ไหมละ่ะแค่เจตนาดีโอ้เดี๋ยห ว, วังดีหวังดีไม่พอปัญญาต้องถึงด้วยถ้าเจตนาดีแต่ปัญญาไม่พอบางครั้งกติกากฎเกณฑ์ทัางหลายที่วางมามันกลายเป็นมาผูกมัดตัวเราเองที่ทาให้ก็เหมือนออกกฎหมาย เห็นไมมเจตนาดีทั้งนั้นออกไปออกมาโอ้ยุ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไมมเจตนาดีเช่นว่าจะให้รถกระบะมันมีหรือว่าจะมีจะต้องนั่งข้างหลังก็จะต้องผูกเบลผูกอะไรลัดเข็มขัด เ, เห็นไมมเจตนาดีแต่ปัญญามันไม่พอมันไม่ไม่เอื้อต่อสภาพสภาพตรง คืออย่างนี้จริงๆก็คือว่าบางครั้งไอ้คำว่ารู้เนี่ยคําว่ารู้เนี่ยมันก็รู้ระดับไหนหรือละเนี่ยไห <All right. S 1> มใช่ไหมอย่างการละกิเลสเนี่ยถ้าถามว่าละแบบในขณะที่กุศลเราเกิดในขณะเรามีฉัตรศรัทธาเกิดขึ้นความไม่มีศรัทธาถูกละไปไหมนั่นก็ละไปแล้วในขณะนั้น <All right. S 1> ในขณะที่เกิดความเพียน mm hmm. เกิดความเกล้ากล้อาอ่านหันมาความเกียดค้านความท้อถอยก็ถูกละไป ในขณะที่มีสติกำกับอยู่กับตัวความฟันเฟือนเลือนหลงก็ถูกละในขณะที่มีสมาธิเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านก็ถูกละในขณะที่มีปัญญาเกิดขึ้นความไม่รู้ก็ถูกละไปละอย่างนี้ยกิเลสก็ถูกละไปแบบนี้คือยกละชั่วคราวนั้นมนุษย์เราต้องละแบบนี้ไปเรื่อยๆฝึกละอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ปุ๊บป๊อบเราจะไปละเด็ดขาดใช่ไหมในกำลังของปัญญาที่ยังไม่เจียบคมพอ แต่ก็ฝึกให้มันเกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องแบบเนี้มันก็จะละได้เรืเ่อยๆและในที่สุดจริงๆอย่างยกตัวยอย่างสักครู่ที่บอกว่าเอาและเราจะไม่โกรธท่านผู้นี้เพราะถเราจะไม่โกรธเราจะไม่หงุดหงิดเราจะไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเจอณที่ไหนพอเราตั้งเจตนาอย่างนี้ก็ะ เ, เจตนาดีแล้วก็เอาและแต่นี้สัญญาที่เราผูกเอาไว้พอไปเจอกระแสชีวิตของท่านผู้นี้ณนะที่ไหนสัญญาเก่าวก็เตือนเราก็ไม่โกรธ แล้วก็ไม่อาฆาตแล้วก็ไม่พยาบาทใจก็เป็นไปกับเมตตาปราถนาดีกับเขานี่แปลว่าถูกละได้จริงๆจากการที่เราตั้งใจนี่กรณีแบบนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละผุ้ดชนทั่วๆไปต้องฝึกตัวนี้แหละถละได้ชั่วคราวเขาเรียกตาทางคประหารถละด้วยสมาธิโดยการข่มไว้เขาเรียกวิขมพนาประหารถละแบบเด็ดขาดด้วยปัญญาที่ประชุมในอริยมรรคเขาเรียกสมุดเฉทประหาร หลักการมีละอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหนึ่งละชั่วคราวสองละโดยการขม่มสามละ้วยการตัดขาดได้ขม่มถ้าสมาธิเป็นการขม่มแต่ว่าสมาธิพังเมื่อไหร่มันก็ระเบิดกลับมาทันทีใช่ใช่ใ ช, ใช่แต่อย่างพวกเราเนี่ยมันต้องละตลอดต้องใช้ปัญญาละตลอด ใ, ญญใช่ ตรงนี้ไงในชีวิตจริงๆเนี่ยคุณต้องละตลอดต้องฝึกในการที่จะละตลอดเช่นความโลภโกรธหลงมันเกิดมาตลอดใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องฝึกในการที่จะละมันตั้งเจตนาที่จะละมันตั้งใจที่จะละมันถ้าเราไม่ตั้งใจอย่างนี้มันจะไม่มีกำลังพอในการที่จะละตรงนั้นเนี่ยมันแปลว่าปัญญามันทำกิจเรียบร้อยแล้วใช่มันชนานาญแล้ว เมื่อชำนาญแล้วเนี่ยไม่ใหม่มันตั้งใจใช่ไหม <Ừ. S 1> พอเริ่มฉลาดในเรื่องนั้นมันไม่ต้องตั้งใจมันเป็นออโตเมติกไปนในตัวแล้วนั <c oughs> ่นเป็นอัตโนมัติแล้วปัญญาเป็นแบบนี้แต่ไม่ใหม่เนี่ย โ, โหต้องฝืนต้องตั้งใจท <c oughs> ี่จริงถ้าเราเป็นนักเป็นนักต่อสู้หรือเป็นนักที่ว่าเรียนรู้สู้สิ่งยากเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ คือก็จริงๆประเด็นต่างๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ดีนะเอามาคุยแล้วก็หาทางออกใช่ใช่ต้องมีกฎเกณฑ์ข้อตกลงอ่อนใช่คือถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีกรณีบางกรณีที่เราตกลงไม่ได้เราต้องใช้ก่หมายใช่นหม แน่นอนบางอย่างก็ต้องเป็นแบบนั้นอันนก็คือก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญญาแต่ว่ารู้ที่เจตนาดีเราเรามีอุบายแล้วเรารู้ว่าผลผลที่ออกมาจะได้ส่วนรวมได้ใจอ๋อเพราะเพราะจริงๆบางครั้งก็ต้องเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นคนบางคนอย่างที่บอกว่าถ้าพูดตรงๆมันก็รับกันไม่ได้ใช่ไหม ต้องใช้คำว่ากิเลสของมนุษย์มันมันได้อาหารมากขึ้นเมื่อได้อาหารมากขึ้นแล้วเนี่ยบางทีเขาอยู่ในสภาพสังคมอย่างไรถูกเลี้ยงอย่างไรอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วเขายึดติดทัศนคติมุมมองอย่างนั้นกลายเป็นเนื้อเป็นตัวก็เรียบร้อยแล้ว เ, เวลาถ้าเราไปกระแทกเขาตรงๆนยบางทีแทนที่เขาจะละเขาก็ปิดตัวเองกอดลัดแล้วก็ไม่อยากอยู่ใกล้ อเจาเซอร์เวิร์ธมีจะอยู่ในในส่วนของสี่ชันแนลที่เป็นบริษัทที่รับต่อข้อมูล น, นี้อย่างเงี้ยครับเจะต้องมาคุยกับผมซึ่ง อ, อุบายนจะใช้ตัวเนี้ยเป็นช่องทางให้กับเขาถ้าเขาต้องการไปสู่ตรงนี้แต่ว่าผมก็จะมีการตั้งมีอุบายแล้วในการตั้งขดคือแม้ว่าว่าผมจะไม่ซื้อคอสแบบแบบวันแนนโชอ๋อเข้าใจ<บ> ก็เข้าใจนะครับอาจารย์อาจจะเป็นลักษณะแบบน้เขาก็ต้องยอมรับในจุดนั้นแต่ว่าในขณะที่เขาอยู่กับพี่น้องๆเนี่ยมันจะเกิดการกระบวนการเรียนรู้เราดเราเป็นเมือนเปนมันฝ่ายเขาต้องอย่างเงี้ยมันจะก็ก็นั้นก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งแต่มนุษย์เรามันอย่างว่าเลยเออมันคือบางคนตรงตั้งง่ายนะครับอย่างตัวตอนนี้ตรงง่าย อย่างเดียกตัวอย่างนะมันมีสองแม่ลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยลูกก็จะเครียดกับแม่มากแม่ไม่ดูแลตัวเองแม่เอาแต่ใจตัวอะไรก็กจะยาไม่กินตื่นอาหารทําไม้ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ยอมกินก็มานั่งคุยกันมาเนี่ยมาก็ถามก็จริงๆพอไปดูแล้วโดวยการอยู่ด้วยกันเนี่ยอาการทางจิตมันเกิดกันทั้งคู่เนะ้ ต้องต้องก็จริงมีปัญหาทั้งคู่ทีนี้ฉันก็บอกว่าอย่างที่พูดไงว่าจริงๆวันมนุษย์เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเอาความต้องการตัวเองเป็นตัวตั้งทุกคนก็อยากจะให้คนอื่นทํากับตนเองอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอเอาความต้องการตัวเองเป็นตัวตั้งป๊บขึ้นมาก็ไปกำกับอยากให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตนเองต้องการใช่ไหมเช่นเราตักเรา เราไปหาหมอแล้วก็หมอก็ยืนยันตามที่ทีเราก็ให้ว่าแม่ต้องตื่นแปดโมงต้องกินอาหารแปดโมงต้องดื่มน้ำตอนเช้ากี่แก้วต้องกินยาอะไรเงี้ยนะทีนี้ลูกก็ทำตามนั้นเป๊ะๆๆๆแม่ไม่ยอมแม่อยากจะกินของที่อร่อยอร่อยไม่อยากกินยา ลรกก็เครียดก็โกรธเงี้ยทะเลาะกันทุกวันเนี่ยเอาอะไร เ, เนี้ยนี่จะแก้อย่างไงฉันก็บอกว่าพอมาตรงนี้ฉันก็บอกเอาเราจะคุยกับเป็นความเห็นหรือความรู้ใช่ไหมถ้าความเห็นเนี่ยเอาแม่ก็เห็นอย่างนี้ลูกก็เห็นอย่างเงี้ยเอาแท่นี้เอ า, เ, า, เ, อาเป็นความรู้ฉันก็เลยบอกว่าเอานี่เนะก็บอกว่าโยมเนี่นะยตั้งความรู้สึกอย่างนี้นะ ยอมเอาความอยากความต้องการของโยมโยนทิ้งโยนไว้เลยนะแล้วไปนึกถึงแม่ลูกพึงปฏิบัติต่อแม่อย่างไรท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านเอาละไอเลี้ยงท่านตอบถึงนี้คืออย่างไรวิธีการตื่นเช้ามาตักน้ำให้แม่เหมือนเดิมเมื่อตักน้ำให้แม่แล้วก็บอกกับแม่หนูตักน้ำไว้ตรงนี้นะแม่จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ แต่หนูก็จะทำหน้าที่ในฐานะน้างความเป็นลูกให้ดีที่สุดนี่ยานี่ยแม่นีแม่จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ถ้าแม่ปรารถนาอยากได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็กินถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่เป็นไรหนูก็ยังรักแม่อยู่นี่อาหารสำหรับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของแม่นะแม่จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ถ้าแม่ปรารถนาอาหารแบบนี้เอาทาให้ได้เหมือนกัน แต่ว่ามันจะเป็นโทษต่อร่างกายของแม่1นึ่5แต่ถ้าแม่เลือกที่จะทําอย่างนั้นหนูก็จะรับรับในสิ่งที่แม่เลือกและสิ่งที่แม่ทําแต่หนูจะมีความสุขในต่อไปเนี้ยมีความสุขก็คือได้ทําให้แม่ดูแลแม่ทํากิจกรรมในฐานะที่ลูกที่พึงปฏิบัติต่อแม่ให้ดีที่สุดหนูจะมีความสุขกับการได้ทําตรงนี้หนูไม่ปรารถนาให้แม่เป็นอย่างนั้นก็จริงแต่เมื่อแม่เลือกที่จะเป็นแบบนั้นจะทําอย่างนั้นแม่ก็ต้องรับผลของการกระทํา ของแม่เองซึ่งไม่ใช่เป็นความต้องการของหนูนะแต่หนูจะไม่ทุกข์กับมันเมื่อแม่เป็นอย่างนั้นเพราะแม่เลือกแล้วแม่เลือกที่จะไม่กินยาเลือกที่จะไม่กินน้ําเลือกที่จะไม่กินอาหารให้ถูกต้องกับกระแสชีวิตแม่เลือกที่จะปฏิบัติตัวอย่างนี้เมื่อผลตามมาอย่างไรแม่ก็ต้องรับผลของการกระทํานั้นแต่หนูก็จะชื่นใจที่ได้ทําดีที่สุดเท่าที่จะทํำได้ทําได้ไหมแบบเนี้เขาบอกโอ้ยางงี้ทําไม่ได้มันก็เข้าใจใช่ไหม ก็บอกทําไม่ได้ก็ขัดแย้งกันต่อไปใช่าไห ม, ใ ช, มใช่สินี่ก็เหมือนกันกรณีอย่างเนี้ย ก, ก, กฎเกณฑ์กติกาอย่างไรเราก็วางหลักไว้แต่ถ้าคุณไม่ทํากติกาว่าอย่างไงคุณต้องรับผลการกรนะทำเนอะเราเรามีกติกาข้อตกลงร่วมกันแบบนี้แบบนี้แต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันเราก็ยังรักกันเราก็ยังปรารถนาดีต่อกันเหมือนลูกกับแม่มันก็ยังรักมันจะไปแยกจากความเป็นแม่เป็นลูกกันไม่ได้ใช่ไหม มันจะแยกจากความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ก็คือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าเอาละฉันก็จะเนี่ยฉันไม่ไม่ไปกำกับอะไรคุณนะแต่ว่าคุณต้องรับผลการกระทำเช่นถ้ากติกาวางไว้อย่างนี้คุณไม่ทำตามกติกาแล้วก็บอกอันนั้นคุณผิดกติกาเมื่อผิดกติกาแล้วก็บอกไม่ได้กติกาข้อตกลงร่วมกันอย่างนี้ใช่ไหมกติกานี้มันออกมาจากส่วนรวม เมื่อมีกติกามีข้อตกลงกันอย่างนี้แล้วก็ทำแบบนี้ ที่จะเออมองดูว่าจะแก้ไขอะไรยังไงแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะคระอาจารย์มันไม่เหมือนเราขาดไปด้วยความรับความเข้าใจแล้วเราขออย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่างอย่างล่าสุดอ่ะมีันมีเหตุหนึ่งที่เ อ, อวันนั้นเนี่ยผมผมกล้าจะฟันได้กดเกมไว้ซ้ําแต่ว่ามอมหลวสมิทธ์เหมือนเหมือนเขารู้ทันผมอ่ะแล้วเขาลลนิทเยแล้วเขาตัดหน้าผมโดยเขาขอร้องเขาเขาพูดเนี้ยเขาเรื่องการเขาบอกว่าขอขอเหมือน เราพูดคุยเราทํางานกันด้วยจิตสํานึกได้ไหมใช้จิตสํำนึกได้ไหมเราเป็นคนที่เจริญแล้ว <c oughs> มันจะต้องมาใช้กฎเกณฑ์มาขับทําไมถ้าถ้าจิตสํำนึกมาทํางานได้ไอ้ตร ง, งนี้มันทําให้ผมเห็นคุณค่าว่าเออการวางกฎเกณฑ์ในการ เข้าใจว่ารมวางเกกฎตรงบริคือคือตรงนี้อย่างที่บอกไว้ว่ากฎเนี่ยมันไม่ใช่กฎกอไก่ต่อเด็กใช่ไหมมันเป็นกฎกอไก่ต่อพะตักกฎตอนนี้ก็แปลว่ามันแปลว่าเครื่องหมายให้รู้กันข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงร่วมกันก็เรียกเป็นกติกาเป็นข้อฝึก ไม่ใช่ข้อห้ามมันเป็นข้อฝึกถ้าพระเนี่ยมองพระวินัยสองร้อยยี่สิบ็ดสิกขาบทเป็นข้อห้ามเนี่ยยุ่งเลยพระองค์นั้นจะอึดอัดมากแต่พระมองเป็นข้อฝึกยิ่งมีข้อฝึกเยอะๆยิ่งพัฒนาได้เร็ว สีระพตาปรามาก็เกินกานนั้นเป็นการมองแบบไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจมองแบบทิฏฐิไปยึดมั่นทีนี้ตรงนี้เหมือนกันกติกาตัวนี้ข้อตกลงเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันมันดีเพื่อถ้าไม่มีกติกาเลยมนุษย์ก็อยู่ด้วยกันยังไงใช่ไหมล่ะทีนี้ พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาใหม่คนฟังธรรมก็บรรลุบรรลุบรบรลุกันก็ไม่มีกติกาอะไรใหม่ๆแต่บาคนมากขึ้นแม้พระอรหันต์ท่านก็ยังก็ต้องวางกติกากันๆๆใช่ใช่ใช่ก็ไม่ต้องมีกติกากันกติกากันนี่แหละกติกาอย่างนี้แต่ท่านไม่ได้มองเป็นข้อห้ามท่านมองเป็นข้อฝึก <c oughs> <c oughs> เป็นข้อฝึก จริงๆริจริงๆโดยหลักเกณฑ์ในทางด้านของพระศาสนาพระเจ้าทำแบบนี้แหละไม่ได้ตั้งไว้ก่อ น, น <ะ S 1> ไม่มีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็ก็ได้ก็ก็กดนั่นแหละแต่กดในที่นั้นไม่ใช่กดก็อกไก่ตอเด็กไม่ใช่กดทับแต่มันเป็นเป็นเครื่องหมายรู้กันกติกาข้อตกลงร่วมกัน ว่าเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างนี้เช่นจะตื่นกี่โมงจะทำอะไรเป็นกติกาทางนั้นใช่ไหมก็เรียกว่ากฎ ก็อย่างว่าเคยพูดไว้หลายครั้งอยู่ปัญหาเนี่ยก็พอเจอปัญหาปุ๊บก็ให้เปลี่ยนอักษรก่อนเป็นปัญญาก็เปลี่ยนพยัญชนะก่อนอยู่จากพยัญชนะ ยาวอารมณไปรับปัญหาโอ้โหแกายเป็นว่าทำงานเยอะไปเยอะไปก็คือจริงๆปัญหาคืจริงๆก็คือว่าในในอริยสัจเนี่ยสังเกตดูทีคำว่าทุกขังปริญญาอย่างเนี่ยทุกนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญารู้ไม่ใช่หน้าที่ของใจโดยมากเวลาเราเจอทุกปุ๊บเราเอาใจก็ไปรับมันก็เครียดกลุ้มอยู่นะที่จริงมันเป็นหน้าที่ของปัญญา คำว่าทุกในที่เนี้คำว่าทุกในทุกขาทุกขังทุกโขกระสาบเดียวกันนั่นเลยแต่จริงๆก็คือความทุกทุกขาเนี่ยทุกในที่เนี้เขาแปลว่าสภาพที่ทนที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะสิ่งทั้งหลายที่จะต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเบียดเบียนบีบคั้นในตัวมันเองตลอดมันไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้อันนั้นก็เรียกว่าทุกแต่เรามักไปเอา ความว่าทุกข์ใจมันคนละ่มที่จริงก็เรียกว่าทุกข์หมดในโลกใบเนี้จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสุขน่มันไม่มีใช่ถ้ามองตั้งสามด้านเนี่ยมันจะมีหนึ่งทุกขะทุกไอ้ทุกสองทุกเนี่ยก็เลยทุกยกกำลังสองเนี่ยคือทุกกายกับทุกใจ ใช่ไหมเนี่ยทุกกายกับทุกใจมีกันอยู่ไหมเนี่ยทุกข์ัทุกเนี่ยทุกสองอย่างทุกทุกสองวิปรินามะทุกวิปรินามะนี่ก็แปลว่าทุกข์ที่มันต้องเปลี่ยนแปลงแต่ที่จริงก็คือสุขนั่นเองเวลาเราเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความสบายใจขึ้นมาเนี่ยไอ้ความสบายใจความสุขใจความชอบใจทั้งหลายเนี่ยความดีใจทั้งหลายเนี่ยสภาวะเหล่านี้มันถาวรไหม เนี่ยเขาจึงเรียกว่าทุกข์สัพพะเขาเรียกวิปริณามะทุกข์ก็คือทุกข์เขาอาจจว่ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถคงทนถาวรก็เลยเรียกว่าทุกข์อย่างหนึ่งไม่เงี้ยงั้นเวลาเราสุขใจเอ่ยหัวเราะชื่นใจก็คือทุกข์นั่นเองมันไม่ใช่สุขเพราะสุขมันไม่มีอยู่จริงประการที่สามเขาเรียกสังขารละทุกข์นี่ทุกข์ประจําสังขารก็คือเนี่ยกายกับใจมันเปลี่ยนมันจะต้องเป็นไปตาม เปลี monks, ่ยนแปลงตลอดเวลาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยสรุปแล้วเนี่ยไม่มีสุขในพระศาสนาเนี่ยแต่ท่านให้มองเห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขเพราะมองเห็นทุกข์ด้วยปัญญาใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยไปแยกแยะเห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขทุกข์ไม่ใช่หน้าที่ของใจไม่ใช่เรื่องของใจแต่ทุกข์เป็นหน้าที่ของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญารู้เห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขทาไมใจถึงเป็นสุข เพราะปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยความตีบ ต, ติดตันเพราะจิตมันไม่ติดตันไม่อัดอั้นมันก็เลยมีความสุขเพราะเห็นความจริงเข้าใจอย่างเช่นเห็นยอมตาว่าตอนนี้แก่ไปเยอะเนี้ยนะเนี่ยนางนางอัมพาปาลีคณิกาเนี่ยพอเธอเห็น <Okay. S 2> เห็นจมูกของเธอเนี่ย เธอบอกว่าแต่ก่อนจมูกของเธอเนี่ยโกง่งแล้วก็งอนงามโด่งสวยมากแต่ปัจจุบันนี้แฟบแฟบไปแล้วก็เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกใช่ไหม <laughs> เอพราะเเ พ, พ, พเธอไปเห็นความจริงอย่างนี้เธอเกิดปีติบอกว่าความบอกพระดำรัสของพระสาัมมาสามัมพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปรผัน เนี่ยชื่นใจว่าความจริงปรากฏแล้วพอเธอไปเห็นสรีละของเธอใช่สรีละของเธอเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยงามมากผิวหนังเนี่ยแต่ปัจจุบันนี่เหี่ยวย่นแล้วก็ขนก็หลุดพอเธอเห็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บเธอก็ปีติแล้วก็นึกถึงว่าพระดำรัสของพระเจ้าจริงแท้ไม่แปรผัน พอไปเห็นสรีระหน้าอกของเธอเนี่ยแต่ก่อนแต่งตึงปัจจุบันก็แฟบเหี่ยวแล้วก็ยานเธอก็ปีติเกิดใช่ไหมเพราะว่าสรีสรักษสลีลักของเธอเนี่ยเห็นเห็นเห็นนึกถึงคําสอนพระเจ้าก้อนี้แบบนี้เห็นไหมในเข็นทุกหมดเลยตแต่ก่อนผมของเธอเนี่ยผอมของเธอเนี่ยเป็นเป็นลอนแล้วก็งามมากดําสวยแต่ปัจจุบันนี่งอกด้วยแล้วก็ ล้านด้วยหลุดล่วงด้วยพอเธอเห็นความจริงอย่างนี้เธอก็ปีติเกิดเห็นไหมอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าปัญญาปัญญานําจิตเพราะตัวปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยทําให้จิตไม่ติดขัดไม่ติดตันไม่อึดอันไม่อัดอั้นก็โปร่งโล่งและเห็นความจริงเห็นไหมปัญญาเข้าไปเห็นความจริงมันมีความสุขได้อย่างนี้อืม ยิงไม่เอิงสนไ ม, ไม่สวยแล้วโอ้โกว่าจะทําได้ขนาดนี้ต้องเหนื่อยขนาดไหนต้องอาบต้องขัดต้องสีต้องโอโหสารพัดหมดต้องสีเลยลนะ่ะเทาลองสีเลยนนไม่ดีสิล่ะค่ะต้องโอโหสารพัดหมดใช่ไหมล่ะกว่าจะได้ขนาดเนี้ยแต่เอาไม่ไม่อยู่ด้วย ในส่วนจริงมันก็เปลี่ยนเเนี่ยความจริงมันเป็นแบบนี้เห็นไหมจริงจริงทุกมันลายงานตัวมันตลอดเวลาทุกวินาทีทุกมันลายงานตัวมันเองมันแสดงบทบาทให้เห็นตลอดเวลาแต่เราปัญญาไม่ถึงเราก็เลยไม่เห็นความจริงข้อนี้ทั้งๆที่ทุกวินาทีเลยนะเซลในร่างกายแตกดับตลอดเวลาเซลเก่าดับไปเซลใหม่ขึ้นมาแทรกทันทีเนี่ยนามธรรมและูปธรรมมันเป็น็มันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา มันขยับขยื่นเปลี่ยนแปลงตัวมันเองมันรายงานตัวมันเองมันแสดงบทบาทตัวมันเองตลอดแต่ปัญญาเราไม่ถึงฉะนั้นถ้าบุคคลนี้เขพัฒนาปัญญาไปเห็นปุ๊บความจริงเนี่ยก็จึงมีความสุขปีติเขาเกิดเห็นแล้วปีติเกิดเห็นความแก่แล้วปีติเกิดเห็นเห็นความเจ็บไข้แล้วปีติเกิดแล้วทำไมปีติเกิดทำไมถึงเกิด เพราะปัญญาเกิดไปนึกถึงคําสอนของพระเจ้าว่าจริงแท้ไม่แพรผันตอนนี้เราเห็นความจริงแล้วเมื่อไปเห็นความจริงขึ้นมาปุบเนโอโหปราโมทปีติปัสสทธิสุขสมาธิเกิดจิตใจก็เป็นไปกับจิตใจก็ถูกปลดปล่อยอาจารย์อันนี้เคยเกิดครั้งนึงค่ะครั้งแรกที่สุดเลยตอนที่แบบเป็นพาตะมาเร็งออกไปออ ออืแล้วอยู่มันก็เกิดขึ้นมาแบบเหมือนปวดกข์ออนแบบมันมีความสุว่าเราเพิ่งเคยเห็นว่ามีร่างกายแล้วมันเป็นอย่างนี้เราไมอยากเปลนเรากลายเป็นแบมันเหมือนปิ๊งขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเห็นทุกข์และใจมันเป็นสุขเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่เคยมีปัญญามาก่อนเลยนะคะเราไม่เคยสึกษาธรรมในตอนนั้นแต่มันเหมือนกับมันเกิดมันเองขึ้นมาจริงจริงมันมีเหตุปัจจัยมาทั้งนั้นแหละมันยัไม่มีหรอก อย่างเราถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องเจอทุกข์เยอะๆ mm hmm. อ๋อจริงๆถ้าเห็นทุกข์เยอะๆแล้วจะพ้นทุกข์ได้เ mm hmm. พราะบางครั้งเนี่ยทุกข์ขนาดนี้มันไม่เพียงพอต่อการที่จะพัฒนาปัญญาไง mm hmm. มันต้องมันต้องเห็นทุกข์เยอะๆถ้ายิ่งทุกข์โถมเข้ามามากเท่าไหร่นี่นะโอ้โหมันจะเห็นชอบไหม mm hmm. มันมันต้องเจอหนักๆ ถ้าอย่างนั้นปัญญามันไม่เดินมันต้องเจอประเภทที่โอ้โหหมดทางไปแล้วจริงๆเนี่บบนาาาย น, นี่กลุ่มนี้ประเภททุกขาปฏิปทาไม่มีไหมคะมีด้วยปฏิมีดีปฏิบัติก็คือเจอทุกเนี่ยคือ ท, ทุกนี่ถาถมทุกอย่างนางปตจิจาาลานั่นเลยนั่นเลยเนี่ยทุกขาปฏิปทากลุ่มบางคนเนี่ยขนาด ก่อนจะบรรลุอย่างเช่นอย่างเช่นพระรูปหนึ่งเห็นไหมว่าไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเสือกัดแล้วก็ลากขึ้นบนภูเขากัดลากขึ้นไปนูน้นพระช่วยกันไม่ได้แล้วมองเห็นเสือก็กำลังกินกินกินข้อเท้าพระก็บอกว่าท่านจัดบรรุษตามธรรมดาเนี่ยการบรรลุ ธ, ธรรมมันจะเกิดช่วงบรรปลายชีวิตวิกฤตเนี่ยฉะนั้น ท่านก็จงเอาวิกฤตเป็นโอกาสท่านให้ได้พาท่านได้สติปุ๊บก็พิจารณาเพราะเสือกัดกัดกัดกกัปุ๊บขาไอ้ข้อเท้าขาดเบรรลุเป็นพระโสดาบันกัดต่อไปเรื่อยมันก็กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยถึงหัวเขา่าได้บรรลุเป็นพระสกทาขากินไปเรื่อยไ้เสือตัวนั้นกินกินกินมาถึงตรงท้องเนี่ยเป็นพระนาคากินมาถึงหัวใจบรรลุเป็นพระหลหันขาปากเสือเลยนี่ไงทกกลุ่มนี้ เราฆ่าเสือมันแ้วก่อนดีไหมัมนจะไปฆ่าได้งไงล่ะเสือมันกัดขนาดนั้นมันลากขึ้นไปเลยพูดถึงเซลล์แล้วอาจารย์ไปหายังไม่ได้ไปเลยตนนัวนี้เดี๋ยวเด๋วคงต้องไปยังไม่ได้นัด <s> <laughs> ก็คือคือเมื่อได้ร่วมก่ อ, อตั้งกลุ่มในด้านของศาสตธรมิกะเนี่ยสิ่งที่จุดหมายที่เราตั้งไว้ใช่ไหมทัดเพื่อที่เอาตัวธรรมะเป็นจุดหมายเนี่ยทีนี้แนวทางการดําเนินให้เรามองเห็นการทํางานนั่นคือการประชุมองค์มรรคแดเห็นไหมว่าหนึ่งงานจะมีงานทั้งภายในและภายนอก งานภายในชีวิตของเราก็คือประชุมสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดให้ได้ประชุมสัมมาสังกปะความดําริที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นประชุมสัมมาวาจาคือการกล่าววาจาที่ถูกต้องสัมม า, ากรรมตะการกระทํ า, ท, าที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามะาก็คือเพียรในการที่จะละบาปเป็นต้นสัมมาสติก็คือการระลึกที่ถูกต้องระลึกเรงพุทธคุณเป็นต้นสัมมาสมาธิการตั้งมั่นที่ถูกต้อง ก็คือว่าหนึ่งเมื่อเราเราทํากิจกรรมของชีวิตเนี่ยงานภายในกระแสชีวิตก็ให้เราประชุมมรคแปดคือศีลสมาธิปัญญาอย่าไปประชุมกิเลสคือโลภะตัวสามโมหะแต่จงประชุมเนี้ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวิมภาัมมาสติสัมมาสมาธิประชุมศีลสมาธิปัญญาประชุมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นจริงๆ นี่นี่คื อ, ค, อคือเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเราในส่วนเราให้ได้ส่วนในด้านของภายนอกกิจกรรมของชีวิตที่เราจะต้องดำเนินไปเมื่อเราวางจุดหมายว่าเมื่อเราได้ความสุขจากการที่เราได้ประพฤติทำธธรรปฏิบรรัติทำเราประชุมสหธรรมมิ ก, กะภายในก่อนสหธรรมมิกก็คือประชุมของพรอมวิหารอิธิบาต อินทร์พระว่าไปประชุมสังฆาวัตถุจนถึงประชุมมรรคแปดนี่คือสัทธมิ ก, กะประชุมธรรมะให้ได้ภายในชีวิตเมือ่อเมื่อเราประชุมกลุ่มศีลสมาธิปัญญาหรือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาให้เป็นสัทรมิกะให้เป็นการให้เป็นสัทรมิกชนชนที่ประชุมธรรมะปฏิบัติธรรมะให้สัธธรรมะเหล่านี้สามัคคีธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นภายในตนในกระแสชีวิตตน แล้วธรรมะเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราไปทำกิจกรรมของชีวิตในการที่ไปปฏิบัติร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันมันกลายเป็นว่าธรรมะเนี่ยออกไปทำงานชนนั้นกลายเป็นว่าเป็นบุคคลที่ประพฤติทําร่วมกันจริงๆทีนี้จุดหมายของงานเพราะมันมีธรรมะเป็นจุดหมายอยู่แล้วเมื่อธรรมะเป็นจุดหมายเมื่อทำงานหรือ ธรรมะเนี่ยมีปัญญาเป็นตัวนํามีความดํำริชอบเป็นตัวนําเป็นต้นมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องมีพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ถูกต้องเวลาดําเนินกิจกรรมของชีวิตปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นการดําเนินกิจกรรมของชีวิตเนี่ยเพื่อธรรมะจุดหมายคืองานจุดหมายคือชื่อเสียงจุดหมายคือเงินทั้งหลายนั้นกลายเป็นผลพลอยได้บนเรื จุดหมายหลักก็คือธรรมะมันก็จะเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมเวลาเราดำเนินกิจกรรมของชีวิตตัวนี้เกาเรียกว่างานมันได้ผลคนเป็นสุขโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันจะมีงานไม่ได้ผลคนเป็นทุกข์นี่เสียสองด้านเลยทั้งงานก็เสียคนก็เสียงานงานได้ผลคนเป็นทุกข์โอ้โหทางานดีเหลือเกินแต่คนไม่เข้าถึงทำอันนี้ก็แปลว่าได้หนึ่งเสียหนึ่ง 1.1 บหนึ่งก็เป็นศูนย์ไม่เอาทีเราต้องทำให้ได้งานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขใช่าะพองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขก็แปลว่างานนั้นก็สำาทธิ์ผลคนก็เข้าถึงธรรมะมันก็เลยกลายเป็นว่างานนี้เพื่อทำใช่มมันก็เลยกลายเป็นว่ามีธรรมะเป็นจุดหมายมีธรรมะเป็นหลักที่บอกว่าพอบอกว่าที่พระเจ้ามีมีมีธรรมะเป็นหลัก พุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำและวินัยที่พระธรรคตสแสดงและบัญญัติแล้วทำและวินัยนี้จะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราเพราะเราทํางานเพื่อธรรมะธรรมะคือภาษาศาสดาเราก็ได้เฝ้าภาษาศาสดาตลอดเราก็ได้เห็นภาษาศาสดาแต่ก่อนเราก็มีภาษาศาสดาเป็นจุดหมายมีภาษาศาสดาเป็นที่อ้างอิงมีภาษาศาสดาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต ชีวิตนี้ก็เลยเพื่อทำชีวิตนี้ก็เพื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมธรรมะก็กลายเป็นภาษาสดาแล้วก็เห็นภาษาสดานําพาชีวิตของพวกเราตลอดเฉนั้นงานมันจะได้ผลเราก็จะมีความสุขจากการที่เข้าถึงธรรมะมันก็กลายเป็นเป็นสหธรรมิ ก, กชนจริงๆเลยนะทีนี้พอมีจุดหมายแต่นี้พอมันมีกิจกรรมของชีวิตในการที่จะทํางานอะไรพอคนมีธรรมะอยู่ในตัวซะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่นี้ ในการที่จะดาเนินชีวิตไปสู่จุดหมายเวลานั้นเวลาคนมีธรรมะเวลาทำงานผลมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วผลของงานก็เพราะว่าหนึ่งเพราะคนที่ทำงานเป็นคนที่เข้าถึงธรรมะหนึ่งเราเข้าถึงเมตตาก็ได้จะให้เข้าถึงกรุณนาก็ได้เข้าถึงมุทิตาก็ได้หรือเข้าถึงอุเบกขาเวลาใดก็ได้หรือจะเข้าถึงอิทธิบาทฉันธาตวิริยจิตตาปัญญาหรือจะให้เข้าถึง ปิววยวาจาอัฏฐเจริยาสมาณะตาหรือจะเข้าถึงสมาธิปิเป็นต้นอมันเข้าถึงได้หมดเลยเพียงแต่ว่าท่านผู้นั that. That. Men, ้นจะปารบที่จะเข้าถึงธรรมะหมวดใดข้อใดก็สามารถเข้าถึงได้เวลาไปดําเนินกิจกรรมของชีวิตกิจกรรมของชีวิตนั้นก็เป็นเพียงว่ามีจุดหมายก็เพื่อธรรมะฉะนั้นก็ขอให้เราพวกเราเนี่ยเวลาทํามองหลักอย่างนี้เราจะคิดกิจกรรมอะไรมาเราก็คิดด้วยกําลังของสมาธิิก็มีความสุขใช่ไหม พอคิดกิจกรรมอะไรมาพอคนมีธรรมะคนนั้นไปทำงานเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยวเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตไม่อาหารเป็นจุดหมายรองแต่การให้ธรรมะเป็นจุดหมายหลักเฉะนั้นพวกเราก็ต้องตั้งหลักของศาธมิมริกาเนี่ยอยาให้ตั้งหลักอย่างี้หนึง่งเราจะให้หให้วัตถุทาน เมื่อเรามีวัตถุทานมีวัตถุสิ่งของเราจะให้เราจะสละเราจะแบ่งปันให้กับบุคคลทั่วๆไปให้กับคนในองค์กรของเราตลอดถึงบุคคลที่เราไปสละไปแบ่งปันไปช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันนี่ให้หมนี่ให้สองเราจะให้อภัยทานเออพอให้อภัยทานคือให้ความปลอดภัยในชีวิตเขาให้ความปลอดภัยในชีวิตก็คือไม่เบียดเบียนกระแสะชีวิตของคน ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาให้คําสัตย์คําจริงให้ความไม่หวาดระแวงไม่เอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตเป็นเหตุให้คนอื่นต้องหวาดระแวงสรุปก็คือว่า 1. ให้วัตถุทาน2ให้อภัยทานให้ความปลอดภัยมีเจตนาที่เป็นไปกัการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้นประการที่3คือให้ธรรมทาน ให้ธรรมทานก็คือให้ธรรมะให้ความถูกต้องให้ความดีงามให้หลักคิดให้เหตุให้ผลให้หลักการในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเพื่อจุดหมายคือการดับกิเลสและกองทุกข์สรุปแล้วเราให้ใชไหมตัวหลักของมูลนิธิเลย 1. ให้วัตถุทาน 2. ให้อภัยทานให้ความปลอดภัยในชีวิตเป็นต้น 3. ก็คือให้ธรรมทานถ้าตั้งหลักนี้ชัดไหมเราไม่ใช่เป็นผู้เอาเราบอกเราจะมาให้คุณ เราจะมาให้เรามีวัตถุทานเราก็จะให้แม้เราให้พวกกันเองก็ให้และเราจะให้ความปลอดภัยให้อพัยทานนะแล้วก็ให้อะไรให้ธรร ม, มาทางพอจะชัดเจนไหมถ้ามีหลักอย่างนี้โอชัดเลยเ็าเรียกมีธรรมะเป็นหลักมีธรรมะเป็นที่ไปถ้าทาได้สามหลักนี้โอโหโลดเลยไปโลดเลยเนี้อฉนันมนิทีนี้เป็นผู้ให้ ให้ทั้งวัตถุทานให้ทั้งอภัยาทานให้ทั้งธรรมทานแต่เฉพาะอภัยาทานเนี่ยเราให้ได้ตลอดไหมใช่เรานึกถึงเขาว่าที่นี่ทุกคนมาเราให้ความปลอดภัยแล้วไปหน้าที่ไหนเราให้ความปลอดภัยในชีวิตเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่โกรธเขาไม่อาฆาตไม่พยาบาทเขาให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเขาไม่คิดละเมิดทรัพย์สินของเขาปราถนาให้เขามีความสุขในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาเขาและก็ให้ วาจาที่จริงเป็นประโยชน์แล้วก็ถูกการให้วัดให้ให้มพูดด้วยเมตตาเป็นต้นแล้วก็ไม่ไม่ให้เขาหวาดระแวงในพวกเราไปที่ไหนหเขาเกิดความอบอุ่นว่าพวกเราเป็นคนมีสติสัมปชัญญะกันนะไม่ใช่คนเผลอหรือไม่ใช่เป็นคนมัวเมาลุ่มหลงเป็นคนมี <c oughs> ว่าเราแหวงเรื่องอะไรมีสติเนไเาม่้ดูไม่ใชก่ก็ต้องตั้งความรู้สึกจริงๆก็คือให้ตั้งความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในที่นี้เขาเขาปลอดภัยแล้วให้ความปลอดภัยพอจะมองเห็นนะว่าถ้าเราตั้งหลักแบบนี้ได้เนี่ย อย่างนี้เขาเรียกว่าเดินตามรอยบาทพระศาสดาชัดเลยอย่างนี้ชัดเลยเห็นไมก็คือบรารมีที่พระพุทธเจ้าทำนั่นเองพวกเราเอามาทำกันวัตถุทานเราให้ทุกวันอภัญาทานธรรมาทานพอจะมองเห็นหีหอยังมีใครจะถามอะไรัหม คือหลักปฏิบัติจริงๆอยากให้มันเป็นมันเป็นการอยู่ร่วมกันแล้วใช้ธรรมะร่วมกันได้ทุกขั้นตอนคือต้องการฝึกให้เป็นวิถีชีวิตที่มันเป็นการอยู่ด้วยกันด้วยธรรมะโดยการฝึกธรรมะไม่ใช่แค่นั่งหลับตานั่งหลับตาเป็นหนึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามพระธรรมอยากเป็น นั่นแหละที่ที่นี้การที่จะจะได้อย่างนั้นได้มันก็จะต้องมีตัวพวกปัญญาจะต้องให้ปัญญาเมื่อได้ปัญญาถูกต้องปุ๊บเนี่ยเวลาไปเกี่ยวข้องกันวิธีการที่จะใช้สัมมาวาจาอย่างไง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหเวลาพูดเนี่ยพูดแบบไหนเป็นมิจฉาวาจาพูดอย่างไงเป็นสัมมาวาจาทำอย่างไรเป็นมิจฉากรรมตะ อันไหนเป็นสมากมมันตาไปเดินไปหาอาหารที่อยู่อาศัยเครงมโฮมแบบไหนเป็นมิจฉาอาชีวะอันไหนเป็นสัมอาชีวะระลึกแบบไหนเป็นสัมมาสติอันไหนเป็นมิจฉาสติเพียนแบบไหนเป็นมิจฉาวายามะแบบไหนเป็นสัมมาวายามะระลึกแบบไหนเป็นมิจฉาสติ อันไหนเป็นมิจฉาสติอันไหนเป็นมิจฉาสมาธิอะไรเป็นสมาสมาธิก็คือต้องการจะขับเน้นเนี่ยให้การรู้จักมิจฉามักกับสัมมามักแล้วก็จะได้เอาออตัวมักเนี่ยแกมีสมาธิติเป็นต้นมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตกันจริงๆ <c oughs> เออถ้า ง, งั้นพอจะเข้าใจนะ <c oughs> เข า, า, า <c oughs> คืออย่างนี้ <c oughs> คือเรา <c oughs> คือกิจกรรมเนี่ย <c oughs> ถ้าเราสามารถดำเนินได้ในชีวิตจริงๆแม้แต่ละคนไปนั่งคุยกัน ใช่กิจกรรมนั่งสนทนากันเองหรือกิจกรรมในการไปปัดกวาดเช็ดถูทํากิจกรรมต่างๆใช่ฉะนั้นในในทุกกิจกรรมที่ทําเลยคือเราจะเอากิจกรรมจริงๆที่มีอยู่แล้วให้เดินสมาธิจะยังไงให้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ฝึกแล้วก็มาสอบถามกัน สอบถามว่าเนี่ยคิดแบบนี้เป็นไม่เป็นพูดอย่างนี้เป็นไม่เป็นวางท่าทีทางใจงี้เป็นไม่เป็นคือให้เป็นเนื้อเป็นตัวกันขึ้นมาอย่างนั้นแน่นอน แ, แน่นอนว่ามันคืออะไรใช่ไหม<า>คือเราเราจะเราจ ะ, เราจะปูพื้นฐานไปเป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ยะแล้วไป <c oughs> ทําผิดออกมาจะได้รู้ <c oughs> ถูกจะได้รู้ รูพระอาจารย์บรรยายช่วงนี้แล้วก็ให้ไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันในสมมติว่าตาไม่เคยเห็นในหลักสูตรที่พระอาจารย์ทํากับครอบครัวที่ให้เขียนเขียนๆเนี้่ยพอจะแนบแนวผ่านได้นะคะเผื่อเราจะไม่ได้ทําหลักสูตรไปจริงๆตอนนั้นที่ที่ทําตรงนั้นก็แทบไม่มีอะไรเลยมีแต่ลักษณะวันหนึ่งก็คือว่าช่วงสวดมนต์ทำวัดของเรามีไม่มากแต่เราก็ขับเน้นไว้สวดให้เกิดความเข้าใจ ให้รู้ให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เมฟม ม, ม, ม, มนั่งสมาธิจริงๆก็ไม่ได้นานเพราะเรารู้ว่าคนที่ไปฝึกใหม่เนี่ยยากที่จะทำให้ได้เพียงเราบอกข้อมูลทั้งหมดนี่ยังไงแต่ในขณะที่ไปดำเนินกิจกรรมแต่ตอนนั้นมีเด็กอยู่ด้วยเขาก็จะมีกิจกรรมในการไปปั้นประพุทธลูกกันอะไรกันก็ก็ว่ากันไปมีคนไปหัดรรห อ, อันเนี้ย แม้แต่กิ จ, จกรรมการออกกําลังกายแล้วก็สอนว่าเออทํำยังไงใช่ไหมให้มันเป็นเป็นการฝึกตัวเองอยังไงแล้วก็ตอนนั้นมันมีการบินธบาตด้วยเวลาบินธบาเวลาจะใส่บาทพระดินบินธบาตเนี่ยแม้แต่จะใส่บาทเตรียมของคิดยังไงที่เป็นสมาธิเป็นสมาสังกปะเป็นสมาวาจายัางไงใส่บาทยังไง ดําเนินทานศีลภาวนามันเกิดขึ้นได้จริงยังไงใช้มรรคแปดในการดําเนินชีวิตยังไงก็สอนหลักในการดําเนินชีวิตแบบวอย่นีครึจญญยระยะิงจริงจริงๆอาจจะเป็นบรรยายสองรอบก็จริงอาจจะใช้สักชั่วโมงครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะนะสมมุติหนึ่งประมาณนั้น คือสอบถามเลยเพราะจริงๆมานั่งแล้วจะสอบถามกันละถึงรายละเอียดว่าเออเมื่อไปปฏิบัติการกันไปทำกิจกรรมใช่ใช่ตอนที่ตอนที่ทำถ้าคนไม่มากไม่ต้องไปแบ่งอยู่ที่เราพวกเราเพราะจริงก็ได้ประมาณน้ม่เนีย 嗯嗯嗯 หลักนี้ถ้าหากสามารถเอาไปดําเนินได้จริงๆมันจะเป็นประโยชน์มากเลยเ<อ>มันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตใน<อ>การใช้ชีวิตต้องใ ห, ให้หลังเนี้ยทํายังไงไปสู่ใจของคนที่ทาพรในสามวันเนี่ยลงไปได้ไดอยู่ในใจเลยคื อ, ค, อคือบาง ท, บางทีบางทีเวลาเขาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเม้มองกันเนี่ยสอนไม่ใช่แค่มองไม่ใช่คิดถึงกันอย่างงี้แต่ทํากําลังของ ความรักปราถนาดีเมตตามันออกมาได้จริงๆใช่ไหมแล้วจะทำยังไงให้เขาเป็นยังไงออกมาอันนี้ต้องให้ต้องให้เขารู้แล้วก็ต้องตั้งเจตนาออกมาบางทีต้องพูดออกมาเลยเนี่บางบางเท่าท<ช>ี่นั่ น, า น, านบางทีอาจาสอนเนี่ยว่าเนี่ยเอา้าคุณไม่สามารถคิดได้แล้วคุณพูดเลย<ม>เช่นว่าเหมือนที่เขาบอกว่าฉันรักคุณฉันรักคุณะจะคือบอกว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าออ ขอให้ยมตามีความสุขขอให้มีอายุยืนให้พูดอย่างนี้ให้มีอายุยืนปรารถนาสิ่งใดให้สมปรารถนานะี้ฉันจะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ทำความขัดเคืองความโกรธความมาคาดพยาบาทให้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตของถือนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์กล้าที่จะบอกกันอย่างนี้กล้าที่จะพูดต่อกันอย่างนี้ นี่นี่สอนเป็นแพทเทิร์นในการที่ให้พูดเ ฉันจะเอาพระไปช่วยด้วยในพระนำได้สนทนาก็<ะ>ตอนนั้นเนี่ยเวลามีคนมาอยู่ที่นี่สามวัน<ะ>จากพวกไอ้นักสภายาบาลฉันก็มาบรรยายเพียงวันละสองครั้งและนอกนั้นฉันให้พระจัดเป็นนั่งคุยกันตั้งเก้าอี้นั่งคุย ว่เป็นว่างสนทนาแล้วคือองค์หนึ่งอาจจะคุยสักสามคนสี่คนสมมตินเนี่ยในชะ่ ห, หรือกลุ่ม ย, อย่อยแล้วก็แล้วแต่าาแตตแก็นนะ บ, บอกวว า, าคื อ, ค, อคือตรงนี้ฉันจะเป็นคนวางอยู่แล้ววาง ตรงนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะจริงๆตอนนั้นฉันทําเนี่ยฉันก็ให้กําหนดว่าเออให้พูดเรื่องอะไรใช่สนธนาเรารู้แล้วเนี่ยเขาเขาทำไม่เป็นในเรื่องเนี้ยทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องการติดขัดจริงๆนีว่าเขาไม่เข้าใจว่าเช่นเขาไม่เข้าใจว่าเขาเขาอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่อยู่กับน้องอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเขาเขาเป็นแบบเนี้ชีวิตของเขาเป็นแบบเนี้เราก็เจาะเข้าไปในประเด็นนั้นเลยในทุกประเด็นที่เขาจะเกี่ยวข้องตรงนั้นทุกประเด็นก็เจาะให้เขาได้เข้าใจอ้อนเป็นอย่างนี้กับเพื่อนเนี Thursday, ่ยเขาปฏิบัติกันอย่างนี้ แคเม่ากลับไปเนี่ยจากเด็กที่เกเรเนี่ยเด็กนักษาพยพบาลในที่ประเภทที่เขาพอกลับไปเนี่ยทางมหาวิทยาลัยทางวิทยาลัยของเขาเนี่ยไอ้ทำเรื่องขอบคุณมาเโอ้เขาไม่ไม่คิดว่าเด็กจะเปลี่ยนนสาวันนจุดที่ทำให้เขาเปลี่ยนคืออะไรคือการเปลี่ยนสมาทิฏิใช่ให้เขาได้เข้าใจความจริงของเ ก็คือเขาเจอปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมชีวิตเขาเนี่ยเขาเจอปัญหาจากทางอาจารย์ที่เขาเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานที่เขาเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องไปดูแลคนไข้นี่ปัญหาด้วชายแล้วเราก็บอกเขาทันทีวิธีนี้คุณใช้ผิดถ้าการใช้หลักการในการดําเนินชีวิตไปตามธรรมะไปตามหลักการของคําสอนไม่ใหญ่มัเออมันมันมัน แ น, น, น, น่ น, น, นอนนะชชายดึตรงนี้ก็คือวันแรกๆฉันอาจจะต้องนั่นเองแะฉั้นลงรายละเอียดเองอและที่เราจะจัดกลุ่มย่อยไปห <c oughs> รือจะไปหาวิธีการปเป็นอีกทีว่าจะทำยังไงใช่ใช่แล้วแล้วต้องส่งกลุ่มย่อยไปแล้วอาจจะเอาพวกเราช่วยด้วยก็ต้องไปเพราะว่าแล้วเราจะเห็นปัญหาเต็มไปหมดเลย ไม่เป็นไรนไไนนก็โยคะก็หนึ่งนนั้นอยู่แล้วเขาเรียกกายภพนนะ ไ, ไ, ไดได้ได้ได้ได้ได้จะดูทีแตีบียี่ได้ได้ ได้ได้ควรจะยี่สเอือนใอเาเียะเพราะว่ามันเป็นคอร์สอาจารย์าที่ะมงเาสมทเลยได้้อาจจะประมาณปีละผลหรือสองปีละสองผลเียคเป็นอสฟรีเป็นรสเป็นรูปแบบของพอาจารย์ในแนวทางที่อาจารย์ โอเควัฒนาด้วยก็ใ <c> ห้ประสบความสำเร็จในชีวิตกันเนาะในกรณีการทำงานเนี่ยบางทีก็ให้เห็นว่าการจริงๆการทำงานก็คือกิจกรรมของชีวิตไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าเรา ถ้าเราสามารถที่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้าเราได้ประชุมสาธรามิกาธรรมภายในได้ข้างนอกก็ประชุมได้ไม่ยากก็ <c oughs> ขอให้ความหวังความปราถนานะขอข อ, ขอให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายให้เทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย